วันนี้ก็มีโอกาสอ่านในเทระคาฐานะครับเทระคาฐานี้ก็เป็นเทระคถาของพระอนุรุธทธเทระซึ่งมีชื่อในเรื่องตาทิพย์นะครับพระอ น, อนุรุธทธเทระนี่นะครับตอนที่กําลังเจริญวิปัสนาที่กําลังเจริญธรรมะที่จะบรรลุนี่นะครับ ท่านบอกว่าท่านตรึกถึงมหาปุริสวิตกนะกระ ท, ทสมณะรมอยู่ในเจตีรัตนะปราจีนวังสทายวันกำลังตรึกถึงมหาปุริสวิตกนี่แสดงว่าการเจริญวิปัสสนาเนี่ยเป็นเรื่องของวิตากกะเนี่ยนะนะฮนะผมอ่านอีกนิดหนึ่งนะเอ่อ พระอนุทหานี่นะครับก็ตามตามเจ้าศักยะต่างๆออกบวชเหมือนกันน่ได้บวชในสำนักของพระศ า, าสดาเลยก็ภายในพรรษานั่นเองทำทิพยจักษสุให้บังเกิดแล้วเรียนเอากรรมฐานในสำนักของพระธรรมเสนาบดีคือเรียนกับพระสาลีบุตรแล้วไปยังปาจีนวังสถายวันในเจติยารัต กระทำสมณะธรรมอยู่นี่แสดงว่ากำลังเจริญนิบาสนาอยู่นะครับตรึกถึงมหาปุริสสยะตรึกถึงมหาปุริสวิตตกได้เกประการไม่อาจรู้ประการที่8แสดงว่าตรึกไปได้หนึ่งสอสสี่ห้าหเ็เอ๊ดลืม น, นึกไม่ออกนะพระศ า, าสดาทรงท ร, ราบความเป็นไปของเธอสมัยนั้นพระภูมิภาคทรงทราบ ด, ด้วยด้วยอภิญญานะสมัยนั้นนะมีมีสัตบุรุษ เยี่ยมขนาดไหนใช่ไหมครับนฮะรู้เลยว่านี่พระอนุรุตตรึกขาดไปหนึ่งนึกไม่ออกกำลังนึกอยู่นะไม่อาจรู้ประการที่แปดพระศ า, ศาสดาทรงทราบความเป็นไปของเธอจึงตรัสมหาปุริสวิตกข้อที่แปดให้โอ้โหนะแล้วทรงแสดงมหาอริยวังสะปฏิปทาอันประดับไปด้วยความยินดีในการเจริญสันโดษด้วยปัจจัยสี่อ่ ข้อนี้เนี่ยปุริสวิตกข้อที่แปดเนี่ยข้อที่หนึ่งถึงที่แปดนี้ยังยังไม่มีโอกาสคนเนี่ยท่านจะพออธิบายไหมครับจำไม่ได้เหมือนกันเอาไปดูหมวดแปดนะมหาปุริสวิตกแปดธรรมะหมวดแปดนะจะดูได้สังคีตี่สูรแล้วครับอ่าไม่น่าจะอยู่ในนั้นในหนังสือของพันโททวิตไปดูนะอ๋อเหรอฮะปต่คนมหาปุริสวิตกแปดน่าจะมีนะธรรมะหมวดแปดในอธการนิบาศไม่ไม่รู้ว่ามีหรือเปล่า แต่ว่าอยู่ในธรรมะประเภทหมวดแปดนะมหาปุริสวิตกคนในของเจ้าคุณประยุทธ์ก็ได้แต่ว่าของมาว่าจะดูว่าจะดูไม่เคยดูสักทีว่าจะว่าว่าว่าเป็นปีแล้วมั้งคือจากข้อความเนี้ทำให้เรามองเห็นหลายอย่างเรามองเห็นว่าการตรึกนั้นมีความสำคัญมากอย่างน้อยที่สุดก็ตรึกก่อนละพะได้ฟังพระธรรมมาจากพระโอร์ เมื่อฟังแล้วก็ทรงไว้เมือ่อทรงไว้แล้วก็นำมาเพ่งเมื่อทนต่อการเพ่งจึงเกิดชันทะเกิดวิรยิยะนี่แสดงว่าตึกขาดไปข้อหนึ่งนี้เป็นเรื่องของการตรึกแท้เลยเก็ตามเพ่งด้วยใจนะเพราะว่าบางครั้งนะเราตรึกเราตรึกธรรมะบางอย่างเนี่ยเป็นอย่างนี้จริงๆรแล้วก็ขาดไปข้อสองข้อหรือ ก, ก็พ่องกระแพงไม่ค่อยสมบูรณ์นะฮะแต่ว่าเรากลับไปเปิดคำพีได้ นะมั น, นก็ควักมาจากกระเป๋ากำลังตึกๆควักมาใหม่ดูดิน ะ, ะเรื่องการตรึกเนี่ยผมผมอยากจะให้ท่านทั้งหลายลองลองเอาไปตึกดูหัดตึกเพื่อเป็นอุปนิสัยปัจจัยนะลองดูอย่างง่ายๆนะฮะดูที่ว่าตึกแล้วเกิดอะไรขึ้นนะเช่นในในทีฆนัขาสูตรเนี่ย ที่พระภูมิภากตัดกับอักขิเวชนะบอกว่าดูก่อนอักขิเวชนะเวทนามีสคือสุขเวทนาทุกขเวทนาอทุกข์คำสุขเวทนาถ้าอย่างนี้เนี่ยพอเราท่องหัวข้อนี้ได้นะครับเราก็เอาไปตึกว่าสุขเวทนาเนี่ยทุกเวทนาอทุกขมสุขเวทนาเนี่ย ถ้าสุขเวทนาต้องหมายถึงว่าทั้งสุขกายสุขใจใช่ไหมครับทั้งสุขทางกายสุขทางใจทุกขเวทนาก็ทุกทางกายทุกทางใจอทุกคำสุขเวทนาก็แสดงว่าเป็นอุเบกขาทางกายและใจเนี่ยพอเราตึกอย่างนี้นี่นะครับเออจริงๆแล้วมันมีมากกว่านี้ไหมสมมติถ้าเราตึกนะฮะตึกอืพอพระองค์บอกว่ามีสามนะแล้วก็มีอย่างนี้ แล้วเราก็เรียนมาปริยัติเรียนมาเราก็ตึกว่าเออเนี่ยมันมีเออจริงๆก็มีเท่านี้นะพวะยังบอกไปอีกว่าสมัยใดที่เธออ่าเสวยสุ ข, ขเวทนาสมัยนั้นเธอก็ไม่ได้สเสวยทุก ข, ข, ขเวทนาเธอก็ไม่ได้เสวยอัตุขมสุขเวทนาคงเสวยสุขเวทนาอย่างเดียวนะพระองค์ย้ําด้วยนะแล้วเราลองมาม า, มาคิดดูนะเออเป็นอย่างนั้นจริงไหมเนี่ยนี่คือการตึกว่าเออขณะที่เรากําลังสุข แหมเอาสมณัตอย่างเต็มที่เลยถึงกับหัวเราะออกมาเลยเอ๊ะขณะนั้นทุกขเวทนาก็ไม่มีขณะที่กําลังร้องไห้ขณะนั้นหัวเราะก็ไม่ออกเออนขณะใดที่อุทุกรรมาสุขเกิดอืสุ ข, ขเวทนาก็หายไปในหมดก็ทุกขเวทนาก็หายไปในหมดมลองตึกลงไปในรายละเอียดแบบนี้ลงตึกไปจริงๆในชีวิตเรานะครับเพราะว่า เราคงไม่ต้องรอให้สุ ข, ขเวทนานี่มาเกิดเฉพาะหน้าเรานะครับหรือว่าทุกขเวทนาเนี่ยมาเกิดเฉพาะหน้าเราจริงๆแล้วจึงจะจึงจะตรึกอย่างนั้นแท้ที่จริงธรรมะเหล่านี้เนี่ยก็เป็นก็เป็นขันซึ่งเป็นขันในอดีตก็ได้นะฮะแล้วก็ในคัมภี์ก็บอกไว้แล้วว่าขันที่เป็นธรรมะที่เป็นอดีตปัจจุบันอนาคตเนี่ยเป็นอารมณ์ของวิปัสสนาได้หมด เพราะฉะนั้นการปรึกขณะที่โสมนัสใครบ้างครับไม่เคยโสมนัสไม่มีอครับใครมั่งใครบ้างครับไม่เคยโทมนัสไม่มีครับใครไม่เคยอุเบกขาก็ไม่มีครับทุกทุกคนก็มีหมดนะในใ น, ในธรรมะเหล่านี้เนี่ยแล้วก็พระองค์ยังบอกเองนะว่าเวทนาขันเนี่ยนะ มีตั้งแต่อดีตปัจจุบันอนาคตแล้วยังบอกภายในภายนอกอีกนะเอ๊ะเวทนาคนอื่นเนี่ยเราก็เคยเห็นนะที่เขาหมายมีความสุขเหลือล้อนนี่นะหน้าตายิ้มแย้มแจ่มใสหรือก็ทุกหน้าดำเงี้ยนะล้วก็นี่เวทนาภายนอกภายในายภายนอกเวทนายาละเอียดเร็วปลาดีอะไรเนี่ยมีหมดเลยแสดงว่าแสดงว่าไม่จำเป็นเลยที่จะต้องให้เรารเผชิญหน้ากับเวทนานั้นแล้วจึงนามาพิจารณา เพราะแม่แต่เวทนาในอดีตหรือปัจจุบันนี้ก็เหมือนกันนั่นแหละนะเพราะถ้าตรึกอย่างนี้นะแล้ท่านลองไปตึกดูนะความจริงก็ถ้าตึกอย่างนี้แล้วถามว่ามีอะไรดีขึ้นนะมีอะไรเกิดขึ้นบ้างเพราะว่าพราะผู้มีพระสงฆ์ตัดไว้อย่างนี้แล้วเราก็ทรงตรึกตามอย่างนี้เนี่ยท่านบอกสมัยใดที่เธอเสมยสุขเวทนาสมัยนั้นเธอก็มาได้เสวยทุกขเวทนา เธอก็ไม่ได้เสวยทุกขมสุขเวทนาแม้แต่สุขเวทนาก็ก็เกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยอาศัยปัจจัยจึงเกิดขึ้นสุขเวทนาก็ไม่เที่ยงเป็นของศูนย์เป็นของดับเป็นของเปล่าต้องหมดไปเป็นธรรมดานี่นะแล้วก็ตึกไล่ไปเรื่อยเออสุขมันหมดยังไงนะทุกมันเวลามันเกิดด้วมันหมดมันหมดไปยังไงนะเวลาโทมนัสเวทนามันเกิดนี่มันก็ไม่ได้เกิดนานขนาดนั้นก็หมดไปเออมันก็ตึกพอตึกได้นะครับ ถ้าตรึกอย่างนี้ได้เนี่ยนะครับจึงจะเรียกว่าตรึกได้ไหมครับมันเกิด <c oughs> ต้องรู้ว่าตรึกอะไร <c oughs> คือที่ว่าตรึกนี้ก็คือตามเพ่งด้วยใจนะ <c oughs> คนที่จะตรึกได้คนนั้นจะต้องส่วนใหญ่สาธยายได้ในเรื่องนั้นเขาสาธยายได้เลยสามารถนั่งเล่าให้ใครฟังก็ได้ในเรื่องนั้นนะเขา <c oughs> จึงเอาไปตรึกได้การตรึกนั้น ฟังแล้วก็ไม่ยากนะแต่ของออกมาเนี่ยเป็นกับตัวเลยคือเราเนี่ยเคยได้รับผู้หลักผู้ใหญ่เนี่ยต้องพิจารณานะทำอะไรอะนะเราฟังคานี่เราก็ฟังมาตั้งกั่เด็กๆละมันพิจารณาไม่ออกอะ่ะ <c oughs> นะตอนหลังมาแล้วก็พอมาศึกษาเรื่องเดียวเนี่ยรู้ว่าเรื่องนั้นเรามีข้อมูลจนจนล้นมือแล้วจึงเอาเรื่องนั้นมาตรึกได้ <c oughs> สังเกต ยกตัวอย่างนะเรื่องปฏิจจสมุปบาทเนี่ยไม่เคยตรึกเลยรู้ว่าดีไหมดีแต่ว่าตรึกยากมากอาที่ยากคือเรามีข้อมูลในเรื่องนั้นอ่อนนะพอคิดคิดสักคำสองคาอะวิชาธรรมะมันก็เหมือนกับจี๊ดจ๊ะมาต่อภาพได้เอ้ได้หัวได้ท้ายแล้วจะเอาอะไรมาต่อยกันเนี่ยฮนะมันต่อไม่ออกบางทีมันก็ไปติดศัพท์บ้างต่อไม่ออกบ้างเนะีนะ่ย ไปเชื่อมกับธรรมะหมวดอื่นๆไม่ได้บ้างคนที่ตรึกได้ยาวก็คือมีข้อมูลอย่างอื่นมาเปรียบเทียบมาประติดประต่อกันเข้าอะนะมันก็เลยมีการอารมณ์ที่ที่ทำให้เกิดการพิจารณาพระธรรมได้เยอะนะก็คือวิตกวิจารณ์น่ะแปลกนัวิตกไม่ยอมรับยอมรับแต่วิจาร์ทําไมเชื่อไหมก็บอกว่าโอ้ตรึกส่วนใหญ่ไม่ยอมรับนะแต่ถ้าพิจารณายอมรับผมกำลงังจะพูดอยู่พอดีเลยใช่คือบาง ท่านนั้นอาจจะรังเกียจเรื่องการตึกเพราะว่าปัจจุบันปจริงๆแล้วและส่วนใหญ่เนี่ยนะท่านบอกว่าเรื่องวิปัสนาไม่ใช่การนึกคิดแต่พิจารณาแต่วิจารณ์ได้เป็นอย่างนั้นนะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเปลี่ยนมาเป็นว่าพิจารณาไม่ตกทีไม่เป็นไรใช่ไหมแต่วิจารณ์เจตสิกก็เกิดเรื่องอวิตกนั่นแหละคือวิจารณ์เนี่ยนะพิจารณาก็ว่าวแหวเนี่ยส่วนใหญ่เป็นทอพานไงวิจารณ์ ก็เป็นวิจารณ์เป็นพิจารณเป็นวิจารณไปอ่านี่ไม่เป็นไรนะแต่ถ้าวิตกตรึกไม่ได้นะคือบางทีเราก็ถ้าศึกษาธรรมะไม่ไม่ครบวงจรก็จะเป็นลักษณะนั้นพระพุทธเจ้าไม่ปฏิเสธเลยนะขอให้เจตสิกนั้นเกิดร่วมกับมหากุศลนะทั้งอัญญสัมม า, าเจตสิกทั้งสิเนี่ยยกย่องหมดเลยขอให้เป็นกุศลเลยนะพัสนะาาก็ยกย่องนะแสดงเยอะด้วยภาสสะ นะภาษาทั้งที่เป็นโลกิยะภาษาทั้งที่เป็นโลกุตระบางแห่งกล่าวไว้อย่างนั้นเลยแล้วเวทนาก็ยกย่องนะเวทนาที่ที่ไม่ประกอบนะพระองค์บอกว่าอย่ากลัวความสุขที่เกิดจากเมฆธรรมะแต่ให้กลัวกรมาสุขกว่างั้นอ่าแสดงว่าเวทนาพระองค์ก็ยกย่องสัญญายกย่องเลยนะสัญญาสูตรเนี่ยนะมีเยอะมากเลยอาพาทสูตรหรือสัญญาสูตรเนี่ยเกี่ยวกับเรื่องสัญญาทั้งนั้น สัญญาเนี่ยว่าเป็นสูตรไม่ใช่สูตรเดียวด้วยนะเจตนาเรื่องกรรมทั้งนั้นแหะเจตนาทั้งนั้นแหละเรื่องกรรมก็ยกย่องนะนะแต่ว่าเป็นกุศลกรรมนะนะมณสิกานี่ก็ยกย่องโยนิโสเนี่ยมณสิการทั้งนั้นเลยเอกคตาเจตสิกก็ยกย่องแต่ก็เรื่องฌานชีวิตตินซีก็คือชีวิตของผู้ประพฤติธรรมอันนี้ก็ยกย่องอนะหรือว่าวิตก วิตกก็ยกย่องนะพระสูตรที่กล่าวถึงวิตกไม่ใช่น้อยเลยฌานนี้วิตกทั้งนั้นแหละเพราะวิตตกเป็นทั้งสัมมาสังกัปปะด้วยเป็นทั้งเป็นอย่างอื่นวิตกแต่ที่เด่นก็คือในมรรคแป่ะเป็นเป็นสัมมามรรคคือคือวิตกะวิตกเป็นฌานด้วยนะวิตกเป็นมรรคกับเป็นฌานแล้วก็วิจารณวิจารเนี่ยเป็นฌานอย่างเดียวแต่ก็วิจารณ์ก็ยกย่องคือมโนปวิจารสิบแ นะวิจารบางอย่างเป็นที่ตั้งแห่งสุขเป็นที่ตั้งแห่งทุกข์อวิจารก็ยกย่องฉันทะก็ยกย่องนะกัตตุกรรมยตาฉันทะความเป็นผู้มีความใคร่ประสงคจจะเจริญกุศลธรรมเนี่ยนะอันนี้ก็ยกย่องฉันทะนวิริยะด้วยเนี่ยโหเอาเอาเป็นการเป็นงานเป็นล่ําเป็นสำเลยวิริยะเนี่ยยกย่องมากเนะีนะ่ยนะเพียรพยายามเนี่ยนะพยายามเนี่ยเป็นพสูตรที่ยกย่องมากอธิมโมกก็ยกย่องน้อยหน่อย แต่ก็พอมีบ้างเช่ น, นฉันทะอธิมโมกโคสัท ธ, ธาทิโมกโคเนี่ยนะอธิมโมกสัท ธ, ธาก็คือดูได้ในอธิมโมกคือความน้อมใจเชื่อส่วนโสภณะสาธารณเจตสิกเนี่ยนะนับตั้งแต่สัท ธ, ธา น, นี้ยกย่องมากสัท ธ, ธาวิริยะสติสมาธิและสัท ธ, ธาหิริโอตัปปะอโลพะอโทสะตัตระมัชตตาปัสสิรหุตากัมมัญตาปาคุญญตายกย่องหมดเลย วีรตีสามก็ยกย่องพร้นเจตสิกใดที่เกิดร่วมกับมหากุศลพระองค์ยกย่องหมดเลยเพราะไม่มีโทษและให้ผลเป็นความสุขด้วยเจตสิกเหล่านี้เนี่ยนะเมื่อเกิดร่วมกับกุศลก็นับว่าเป็นมหากุศลด้วยคำว่ามหากุศลหมายความว่าให้ผลมากกว่าตนและเป็นพื้นฐานเป็นบาดฐานแห่งฌานอภิญญามัตผลด้วย เพราะอย่างคนที่ปฏิบัติเรื่องฌานจิตปฏิบัติสมถะก็คือมหากุศลนั่นแหละเป็นมหากุศลที่เห็นโทษในกามก่อนและเป็นมหากุศลที่เห็นอนิสง์ของเนคขมะจึงจะเจริญปฐมฌานได้คนที่ได้ปฐมฌานแล้วก็มหากุศลอีกนั่นแหละพิจารณาองค์ธรรมคือองค์ฌานเนี่ยนะพิจารณาองค์ฌาน นะเห็นทอดของวิตกวิจารณ์ที่เกิดร่วมกับปฐมฌานมหากุศลอีกนั่นแหละเห็นอนิสงของทุติยฌานก็เลยเจริญต่อไปนนะอเนี่ยนะเพราะฉะนั้นมหากุศลเนี่ยแม้กระทั่งโคตรภูยานก็ยังเป็นมหากุศลนัละสังขารุปเปฆายานเป็นต้นเพราะฉะนั้นมหากุศลเนี่ยมีความสําคัญมากขอให้เจตสิกดวงใดดวงหนึ่งที่อยู่ในนั้นถ้าเป็นมหากุศลพระ อ, องค์ยกย่องหมดเลยในนี้ปัญหามันรังเกียดกุศลท่านนี้ก็แย่ละ พ ร, ะ, พระอองค์นี้ยกย่องกุศลค่อนข้างมากก็ตั้งแต่ทุติยชาขึ้นไปนะไม่มีวิตกถูกไหมครับเจนพาเมื่อไม่มีวิตกนี่นะฮะพระโยคาวจรเนี่ยกําลังเข้าฌานอยู่เนี่ยและเมื่อจะมาเจริญทุพศาสนายังต้องออกมาจากฌานต้องออกจากฌานก่อนออกมาจากฌานถ้าหากว่ า, อ, าออกมาก็ต้องมีวิตกถูกไหมครับเนะจนพาแสดงว่าขณะที่อยู่ในฌานทั้งหลายตั้งแต่ทุติยชาขึ้นไปถึงนู่นอรูปฌานนั้ น, นะเจริญเจริญสี่ประธานไม่ได้ คือชานาจิตก็คือถ้าอยู่กับอารมณ์สมถะก็ไม่ได้ความว่าไม่ได้หมายความว่าเอาตัวองค์ธรรมฌานมาเป็นอารมณ์นะฮะคือถ้าขณะใดาที่มีสมถานิมิตเป็นอารมณ์ขณะนั้นไม่ได้วิปัสสนานิมิตไม่ได้พิจารณาเนี่ยนะแต่ว่าสามถานิมิตเนี่ยเกื้อกูลต่อวิปัสสนามากคือเราต้องแบ่งแบ่งสองส่วนเนี่ยนะแบ่งตัวอารมณ์กับความคิด อารมณ์กับจิตแยกสองตัวนี้ออกจิตถ้าคิดอย่างนี้เรียกว่าส ม, มถะอถ้าคิดอย่างนี้เรียกว่าวิปัสนาก็จิตเนี่ยมันเหมือนกับเป็นสันตติเดียวเนี่ยนะจนเหมือนกับสตัตว์เนี่ยเห็นว่ามันเที่ยงอะแต่ที่จริงเนี่ยจิตถ้าเปลี่ยนหนึ่งอารมณ์ก็เท่ากันหนึ่งโซเรียบแบบสรุปแบบเราเรียกว่าหนึ่งความคิดแต่ทางธรรมะบางทีเนี่ยเป็นวิถีไปแล้วซึ่งมันละเอียดซอยแต่พูดแบบเราเราก็คือหนึ่งอารมณ์ให้หนึ่ง ความคิดทีนี้ถ้าอารมณ์นั้นเนี่ยเป็นสมถะจิตก็เป็นไปกับสมถะเนี่ยนะอารมณ์นั้นถ้าเป็นวิปัสสนาจิตก็เรียกวิปัสสนาสมถะกับวิปัสสนานั้ยนะเกื้อกูลต่อการเป็นเป็นอย่างมากมายมหาศาลเนี่ยนะแค่เปลี่ยนอารมณ์เท่านั้นเองนะเปลี่ยนเปลี่ยนอารมณ์เนี่ยคนชำนาญเนี่ยไม่ยากเลยชำนาญในการเข้าชำนาญในการออกชำนาญในการนึกชำนาญในการ ทรงอยู่เนี่ยนะชำนาญในการพิจารณาว่สี่ห้าความชํานาญอันนั้นทําให้พระพุทธเจ้าเนี่ยแสดงย ม, มกปาฏิหารได้ถ้าคนที่ฝึกจิตถึงที่สุดเลยนะสามารถแสดงยมกะปาฏิหารยมกะแปลว่าคู่ปาฏิหารที่แสดงเป็นคู่คู่เลยคือแสดงปาฏิหารว่าให้ลักษณะท่อน้ําท่อไฟเนี่ยนะไหลออกมาท่อน้ําไหลข้างขวาท่อไฟไหลออกจากตาข้างซ้ายไงนะจากพักเนตร จากเบื้อกายเนี่ยสมมุติว่าท่อไฟไหลออกจากข้างขวาท่อน้ําออกจากข้างซ้ายพ่านาศิกฐ์จมูกเนี่ยนะรูจมูกนี้ก็มีท่อน้ําท่อไฟไหลออกมาเป็นสีสลับตั้งกับหัวโจดเท้าเลยแล้วเฉพาะภายในไม่พอเนรมิตพระพุทธเจ้าอีกองหนึ่งขึ้นมาเป็นพระพุทธเนรมิตเนี่ยนะแล้วก็แสดงฤทธิ์องค์หนึ่งเดินจงกรมอีกองค์หนึ่งนั่งขัดสมาธิานะแสดง นั่นคือความคิดที่ฝึกได้อย่างวิจิตฝึกอย่างรวดเร็วมากะนะคือเป็นคนที่คิดไวมากแต่ความไวอันนั้นอยู่บนพื้นฐานของฌานคนไม่มีฌานไปคิดไวขนาดนั้นเนี่ยเวียนหัวแน่นะไม่เชื่อลองพลิกหนังสืออ่านเร็วๆเนี่ยไม่นานเดี๋ยวก็เวียนหัวเพราะจิตเราคุณภาพมันอ่อนงนั้นถ้าคนที่ฝึกสมถะได้มากๆคุณภาพจิตก็จะมีคุณภาพมากเพราะเป็นไปกับอารมณ์ได้อย่างต่อเนื่องเนี่ยนะ คือของเราก็คิดอะไรได้เยอะเหมือนกันแต่ว่ามันคิดไม่เป็นชิ้นเป็นอันเนี่ยนะวันวันหนึ่งไม่ได้ว่างจากความคิดเหมือนกับคนทั่วไปนั่นแหละพระรยะท่านก็ไม่ว่างจากความคิดน่ะเว้นแต่ท่านเข้าพระสมาบัติเอานิโรธสมาบัติเราก็ไม่ว่างจากความคิดแต่ว่าคนละอารมณ์เลยนะของเราเป็นกาลมวิตกของท่านเป็นเนคขมาวิตกกว็วิตกเหมือนกันนั่นแหละอันที่จริงอันที่จริงนะฮะอิทธิพลของความคิดเนี่ยหรือ ผลการตึกเนี่ยถ้าเรานึกไม่ออกว่าทางฝ่ายกุศลเนี่ยจะมีผลยังไงนะครับถ้าเราลองนึกมาทางฝ่ายอากุศลนี่ครับท่านลองตึกเปในเรื่องของกามสวิตตกที่กรรมเอาเรื่องแค่ทางลิ้นเนี่ยนะครับอาหารเนี่ยโอ้ไอ้ร้านนุ่งก็อร่อยนะโอ้เป็ดย่างน้นําพึ่งนะปลา ช, ช่อนเผปลาช่อนเผาเกลือนะโอ้อร่อยมากนะู่นให้คิดบ่อยบ่อยๆ่ยนี่นะครับผมว่ารับรองได้เลยนะต้องเป็นคนที่ ต้องลงมือไปหาไปแสวงหาไปนั่นนะลองนึกนึกมากๆดีครับเนี่ยวันมันลองนึกถึงเรื่องเนี้ยครับร้านนู้นก็ดีเตีวนี้ก็อร่อยนะคิดมากๆนี่นะส่งเสริมนะหรือเปล่ามันต้องมีอิทธิพลแน่ๆคือถ้าถ้าคิดนะครับกับอีกคนหนึ่งที่คิดน้อยนะหรือไม่คิดเนี่ยโอ้ต่างกันมากการส่งเสริม การแสวงหาเนี่ยโอมันต้องมีแน่แน่เลยองค์ก็ตรัสไว้ในทเวทาวิตตะกสูตรอยู่นะว่าเรื่องวิตกเนี่ยนะคือเขาบอกว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายภิกษุยิ่งตรึกยิ่งตรองถึงวิตกใดๆมากเธอก็มีใจน้อมไปข้างวิตกนั้นๆมากนะ ดูการพิสูจทั้งหลายคือพิสษุยิ่งตรึกยิ่งตรองถึงเนคขมะวิตกเธอก็จะละกามวิตกเสียได้ทำเนคขมวิตกอย่างเดียวให้มากจิตของเธอก็จะน้อมไปเพื่อเนคขมะวิตกนะถ้าน้อมนะดูการพิสูจ์ทั้งหลายถ้าพิกษุยิ่งตรึกยิ่งตรองถึงอัพยปาทาวิตกมากจิตก็จะละพยาบาทวิตกเสียได้ทำอพยปาทวิตกอย่างเดียวให้มาก จิตของเธอก็จะน้อมไปเพื่ออภพยาปาทวิตกนะถ้าเราจเจริญเมตตามากๆน้อมใจไปเพื่อเมตตามากๆมากๆโทสะก็จะลดไปตามนั้นลดไปเรื่อยๆดูความพิสูนทั้งหลายถ้าพิสูจยิ่งตรึกยิ่งตรองถึงอวิหิงสาวิตกมากเธอก็จะละวิหิงสาวิตกเสียได้ทำอวิหิงสาวิตกอย่างเดียวให้มากจิตของเธอนั้นก็จะน้อมไปเพื่ออวิหิงสาวิตกถ้าหากว่าเรานึก สงสารใครไปหมดเลยเนี่ยนะนึกเห็นใจนึกสงสารเข้าใจเข้าเห็นใจเข้าแต่ต้องต้องมีความเข้าใจอย่างดีเลยนะว่าเขาหน้าสงสารเพราะอะไรเนี่ยนะไม่ใช่แกล้งทําเป็นสงสารไม่ใช่นะมีความรู้ว่าเขาเนี่ยหน้าสงสารจริงๆเนี่ยนะท่านึกแบบนี้บ่อยๆบ่อยๆโอ้สัตว์หน้าสงสารไปหมดเลยอย่างเงี้ยแล้วจะไม่นึกไม่นึกแม้กระทั่งตําหนินึกดานึกว่านึกอะไรเป็นต้นก็ไม่นึกนะอย่างยกตัวอย่างเห็นคนเขาทําชั่วนะ เราแทนที่จะนึกตําหนิเขานะไม่หรอกกลับนึกสงสารเขาโอ้นี่นะโดยอํานาจกิเลสทแท้ๆเลยเขาต้องทําบาปทํากรรมนี่บาปอันนี้ทําใครจะไปรับนาะเนี่ยทามันให้ผลแล้วเนี่ยถ้าจะต้องเสียเลือดเสียเนื้อเสียน้ําตาไปตกนรกหมกไหมใครจะไปตกเขานั่นแหละยิ่งทํามากเขาก็ยิ่งทุกข์มากยิ่งทํามากเขาก็ยิ่งบาปมากแทนที่จะนึกด่าเขาไม่ด่านึกเห็นใจแล้วมาน้อมมาเออเราถ้าบาปแบบนี้เราก็ไปเหมือนๆกันนั่นแหละ นะเอาใจเข้ามาสายใจเราเออการุณนามก็จะเกิดมากมากเหมืนแล้วพงุปามาว่าดูก่อนพิสูจทั้งหลายเหมือนในเดือนท้ายแห่งฤดูร้อนคนเลี้ยงโคจะต้องรักษาโคทั้งหลายในที่ใกล้บ้านในทุกด้านเมื่อเข้าไปสู่โคนต้นไม้หรือไปสู่ที่แจ้งจะต้องทำสติอยู่เสมอว่านั้นฝูงโคของเราดังนี้ฉันใด พิสูจน์นั้นดูการพิสูจนทั้งหลายเราก็ฉะ น, นั้นต้องทําสติอยู่เสมอว่าเหล่านี้เป็นธรรมะคือกุศลวิตกเนี่ย น, นะยเรียกว่าพระพุทธเจ้าตอนที่เป็นพระโพธิสัตว์เนี่ยพระองค์ธนุธนอมกุศลวิตกอันนั้นมากเพราะเหตุการณ์อันนี้พระองค์กล่าวเมื่อพระองค์เป็นพระโพธิสัตว์ตอนที่พระองค์ฝึกตึกฝึกพิจารณาพระธรรมอยู่เนี่ยนะนะคิดดูนะคนที่รักษาโคเนี่ยทำสติอยู่เสมอเนี่ยโคของเรานะอย่าออกจากคอกนะต้องอยู่อย่าง น, นี้นะ ก็เลยอยู่เสมอเนี่ยถ้าออกตัวหนึ่งไปแล้วเนี่ยคิดเถอะตามกว่าจะเจอเนี่ยพอมมาเนี่ยอดข้ากลางวันอย่งหลายครั้งกันนะเพราะวัวหายวัวหายทุ่งมันเป็นพันไร่อ่ะไม่หาที่ไหนอ่ะกันนี้เอามันก็บางทีมันก็ไปติดอย่างถ้าตัวผู้มันก็ไปติดตัวเมียอะไรเงี้ยหรือไม่บางทีมันก็ไปเจอฝูงอื่นมันก็ไปเคล้าคลอไปไปใหญ่เลยครอเนี้นี่เรานี่ตามแล้วก็กลับบ้านไม่ได้ โดนแน่ดูแลยังไงเนี่ยอันนี้ก็เหมือนกันนะจิตของเราเหมือนกันเนี่ยบางเรื่องเนี่ยยาวเลยเนะี่ยปล่อยให้ความคิดนั้นเกิดความคิดเดียวเท่านั้นแหละโอ้สามวันไม่ทันเสร็จเลยนีเพราะอิทธิพลของของความคิดแต่ถ้าการมาวิตกก็เหมือนกันนะพระองค์ตรัสว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายภิกษุยิ่งตรึกยิ่งตรองถึงวิตกใดใดมากๆเธอก็จะน้อมไปข้างวิตกนั้นนั้น ดูก่อนพิสษุทั้งหลายคือถ้าพิกษุยิ่งตึกยิ่งตรองถึงกามวิตกมากเธอก็จะละทิ้งเนกขมวิตกเสียมากระทําอยู่แต่การมวิตกให้มากจิตของเธอนั้นก็จะน้อมไปเพื่อการมวิตกเนี่ยนะกำลันกันนึกเที่ยวไงี่ยเสมือนึกนึกไปเที่ยวดูนะเออเราไปถึงจังหวัดนะั้นในจังหวัดนั้นมีอะไรน่าดูบ้างนะมันก็เออสิ่งคล้ายๆกันในจังหวัดนั้นมีก็ไปนึกถึงอีกจังหวัดหนึ่งนะก็ไปเรื่อยเรื่อยเรื่ยเนี้ จากประเทศหนึ่งสู่ประเทศหนึ่งบางทีไปถึงนึกถึงคนที่อยู่ในจังหวัดนั้นเนี่ยเรื่องในจังหวัดนั้นไปกันยาวเลยครึง่งชั่วโมงเล่นกูไม่กลับเลยคนนี้ไปแล้วแต่ถ้าหากว่ากามาวิตกถ้าปล่อยให้เขาได้ช่องเนี่ยเขาจะไปเรื่อยๆๆๆก็จะละทิ้งเนคขมวิตกดูความพิสูจทั้งหลายถ้าพิสูุ์ยิ่งตรึกยิ่งตรองถึงพยาบาทวิตกมากเธอก็ละทิ้งอับพยาปาทวิตกเสียมากระทําอยู่แต่พยาธวิตกให้มาก จิตของเธอนั้นก็จะน้อมไปเพื่อพยาปาทวาิตกก็นึกโกรธใครนะเขาไม่ดีอย่างนี้นะย้ำสักสามครั้งเท่านั้นแหละนะความไม่ดียังอื่นจะพั่งพลูมาหมดเลยนี่นะที่เคยไม่ชอบใจเคยปฏิฆานิมิตสะสมมาเล็กน้อยเนี่ยนะเข้ามาหมดเลยจนเห็นหน้ากันไม่ได้อะเอมตตามัน้็หายไปไหนหมดเนี่ยนะนะดูกับพิสูจทั้งหลาย ถ้าพิโสยิ่งตรึกยิ่งตรองถึงวิหิงสาวิตกมากเธอก็จะละทิ้งอาวิหิงสาวิตกเสียมากระทําอยู่แต่วิหิงสาวิตกให้มากจิตของเธอนั้นก็จะน้อมไปเพื่อวิหิงสาเคยนึกจะด่าใครไหมหรือนึกจะตําหนิเอางี้นะเจอคนนี้เนี่ยนะเราจะต้องต่อว่าอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้เยให้เขาเจ็บที่สุดเท่าที่เราจะทําได้เนี่ยนะใช้คํำยังไงให้เราเนี่ยดูเป็นคนดีที่สุดเหมือนกันแต่เขาเสียหายที่สุดอย่างเงี้ยนึกว่านึกต่อว่านึก นึกอะไรต่างๆพวกนี้เป็นมีหิงสาไปตกเนี่ยนึกเบียดเบียนนึกให้เขาเสียหายเนี่ยนะลองตรึกฮะเดี๋ยวได้ช่องฮะเขามีความไม่ดีที่ให้เราเล่นงานได้เยอะเนี่ยนะเสร็จแล้วก็กรุณาก็หายหมดดูการพิสูนทั้งหลายเหมือนในสารธาสมัยเดือนท้ายแห่งปีใกล้ๆหน้าหนาวของมาเนี่ยนะคนเลี้ยงโคต้องคอยระวังโคทั้งหลายที่คับขัางด้วยข้าวกล้าเขา ต้องตีต้นโคทั้งหลายจากที่นั้นนั้นกั้นไว้ห้ามไว้ข้อนั้นเพราะเหตุไรดูความพิสูจนทั้งหลายคนเลี้ยงโคมองเห็นการฆ่าการถูกก ร, รมการเสียทรัพย์การถูกติเตียนเพราะโคทั้งหลายเป็นท้นเหตุแม้ฉันใดดูความพิสูจทั้งหลายเราก็ฉ น, นั้นเหมือนกันแลได้เห็นโทษความเลวสามความเศร้าหมองของอากุศลธรรมทั้งหลาย และเห็นอั น, นิสงในการออกจากกามอันเป็นฝ่ายแห่งความผ่องแผ้วของกุศลธรรมทั้งหลายเห็นะมันจะต้องระวังให้ดีนะไ อ, ไอจิตที่เป็นบาปนี่นะนึกพงนึกอย่างนี้ก็นึกถึงนะเพราะบางทีเนี่ยโยมให้เราต้นต้นควายต้นวัวปายนานเนี่ยถ้าเกิดปล่อยให้ไปกินสักเกินสามสี่สิบต้นไปแล้วเนี่ยนะแสดงว่าหมายถึงศีลหมายแนละ้ว อปรับกันนะถ้าหากว่าเราไปปล่อยให้กินเนื้อที่สักเป็นหลายๆตารางเมตรเข again, ้าไปแล้วเนี่ยเขาถือกันแล้วก็สินไหมละหลายร้อยเลยกันนี CPU ่รางวัลของเราก็คืออะไรถูกเขี้ยนนะนกสักดังกันนะมันต้องห่วงคอยดูแลเนี่ยนะวิ่ตกกังวลอ่ะอันนี้แบบแบบสมัยนี้อันนี้แบบเด็กๆกันนะแต่ถ้าหากว่าบางอย่างเนี่ย <other amino> <one> ต้องมีการถูกฆ่าเลยนะอาศัยบวควายไปกินข้าวของกันเนี่ยทะเลาะเบาะแวงกันเลยนะพี่บ้านเหนือนทะเลาะบ้านใต้พี่น้องกันทะเลาะกันนั่นะถ้าหากว่าปล่อยให้อีกไฟหนึ่งประมาทอย่างเงี้ยอันก็ต้องเสียทรัพย์บางคนก็ถึงกับถูกจองจําเลยนะถูกปรับถ้าไปไปกินข้าวของบางอย่างที่มันมีค่ามากอนยะ่างเงี้ยเขาก็จะปรับแพงไปตามนั้นนะไอความคิดที่เป็นบาปเป็นอกุศลมือนกันถ้าหากว่าเราปล่อยให้วิ่งพลาดไปเนี่ย โอ้เสียหายจริงๆเนะเรานึกนะถ้าอากุศลวิตกเกิดมากๆถ้าจุติปฏิสนธิขนาดนั้นอะไรจะเกิดขึ้นเนาะสังสารวัตนี่ก็สรงหน้าหน้าเจริญการุณาเยอะๆเถอะไม่ผิดหวังมือนกันแต่ว่าคนที่จะเห็นคุณค่าของความคิดเหล่านี้ได้คนนั้นกรรมสักตาต้องมั่นหน่อยนะเพราะถ้าหากว่าเรื่องกรรมเราไม่แน่นเนี่ยนะเราก็ไม่เห็นค่าเอ๊ะไปรักษาทาไมความคิดใช่ไหม ไม่ได้เสียหายอะไรสักอย่างนี่ก็ไม่ได้ไปทะเลาะเบาแวงใครเพราะเรานึกถึงแต่ความเบียดเบียนคนอื่นเฉพาะทางกายนึกถึงความเบียดเบียนคนอื่นเฉพาะทางวาจาั้นแต่ความคิดที่เป็นบาปเป็นอกุศลเราไม่ไม่เห็นโทษไม่มีใครมาปรับสินไหมนะเห็นไหมถ้านึกด่าใครสักคนหนึ่งไม่มีใครฟ้องนี่นึกด่าเฉยๆจะไปให้เขารู้กันแล้วกันอย่างเงี้ยเราไม่เคยเห็นโทษของเขาเลยแต่ว่าไอความคิดนั้นจ่ายแพงมากเลยนะ คิดเป็นบาปทีเนี่ยนับเป็นทรัพย์สินเนี่ยสินไหมเนี่ยแพงมากเพราะจ่ายด้วยอะไรจ่ายด้วยสังสาระทุกข์เลยนะต้องไปปฏิสนที่เป็นในภพบางภพนี่ก็ลําบากเพราะฉะนั้นในความคิดทุกๆความคิดที่เกิดขึ้นเนี่ยมีอิทธิพลต่อชีวิตของเราทั้ง่งทั้งนั้นเลยเพราะั้นความคิดหนึ่งความคิดขณะนี้คือชีวิตของเราของขณะข้างหน้าต่อๆไปเนี่ยนะ ถ้าเราสามารถเลือกคิดได้ก็เท่ากับเลือกสร้างชีวิตข้างหน้าต่อไปอกีกวันคนที่บรรดาลชีวิตของเราคือใครก็เราก็คือความคิดของเรานั่นแหละแต่ทีนี้ว่าในบรรดาสิ่งเหล่านี้เนี่ยเราเห็นว่าอะไรคือสาระหลักนี่ถ้าเราเห็นว่ากุศลวิตกเป็นสาระนะเป็นสิ่งที่เราจะต้องประพฤติเป็นกิจที่จะต้องทําเป็นพาเวตประธรรมเป็นธรรมที่จะต้องพอกพูนทําให้มากเราก็จะยินดีที่จะ หาอะไรก็ได้ที่มาคิดแล้วก็เป็นกุศลได้บ่อยๆมากๆแต่ถ้าหากว่าเห็นว่าอากุศลวิตกเนี่ยเป็นความเพลดิดเพลินนี่ก็ไม่เป็นไรเพลินทีหนึ่งก็เท่ากับพบใหม่ก็ทีหนึ่งเหมือนกันเพราะว่าเพราะความเพลดิดเพลินเกิดทุกเกิดนะปุณ น, นะอย่างงี้ยนะเพราะว่าถ้าเรายินดีในสีสัอย่างเดียวเนี่ยนะเท่ากับยินดีในตาเมื่อตามีขึ้นก็เป็นที่รองรับผลของบุญและ บาปตานี้เป็นภาชนะเป็นวัตถุให้เกิดจิตจากคู่ภาษาจากคู่ภาษาถ้าเป็นกุศลวิบตัตกเป็นผลของกรรมดีจริงถ้าเป็นมนุษย์ใช่ไหมแต่จากคูวิญญาณที่อาศัยตาไปรับสีที่ไม่ดีนี่นะบาปก็จะให้ผลในส่วนนั้นได้ไปเห็นภาพบางภาพเนี่ยนะเช่นเห็นญาติเสียหายเนี่ยนะถามว่าเราทําใจได้ไหมลนะ่ะเจ๊ะไหม เห็นพ่อตายเห็นแม่ตายเห็นพี่น้องทะเลาะเบาะแวงกันเห็นคนก็เข็นฆ่ากันเป็นต้นเนี่ยพวกนี้เป็นอากุศลวิบากที่เราจะต้องไปรับรู้รับทราบเนี่ยนะเ น, นั้นไอการ ร, รับรับรู้รับทราบบางอย่างเนี่ยนะเช่นลองอ่านจดหมายข่าวร้ายจากญาติจากเพื่อนจากอะไรดูเนี่ยนะตัวอักษรคยี้เขยีเยีย้ยีนี่ยแต่ว่าความคิดของเราเนี่ยโอ้ยเรียกว่าทุกทรมานเกิดขึ้นขณะนั้นเต็มที่เลยอันถ้าหากว่าเราไม่เห็นโทษของ จิตที่เป็นบาปเป็นอกุศลการเจริญกุศลก็จะค่อนข้างยากมากเนี่ยนะกรรมสักตาอ่อนการเจริญกุศลก็ข้อ่อนแต่ก็วันนี้ไปนึกๆเจริญสังฆคุณว่าเมื่อก่อนเจ็สังฆคุณจเจริญยากที่สุดเลยในบรรดาธรรมอนุสติเนี่ยนะสังฆคุณทําไมนึกยากจริงๆเนี่ยนะทีนี้นึกถึงเออสังฆคุณก็คือจเจริญ คืออ่านเรื่องของท้าสักกะเนี่ยนะแล้วก็ทําให้นึกถึงชีวิตของคาราวาสสมัยพุทธ ก, กาลเนี่ยนะตกเย็นๆก็จะถือดอกไม้เนี่ยนะเข้าไปที่วัดเพื่อที่จะไปฟังธรรมเนี่ยนะถือดอกไม้ไปฟังธรรมยามเย็นๆเนี่ยนะอันะนะีนะ้ก็ทำให้นึกถึงพวกเราเออมันก็ได้เจริญรอยตามท่านเอาไว้เนาะเห็นไหมแล้วในพระอริยะเหล่านั้นเนี่ยที่เป็นอริยสาวก ท่านยินดีในการฟังธรรมมากถึงท่านไม่สามารถที่จะละละบ้านละการครองเรือนแต่ถามว่าท่านเห็นโทษไหมเห็นนึกถึงไอ้อุบาศกคนหนึ่งชื่อว่านะ่อปันจังคะเนี่ยนะบาศกที่เป็นช่างไม้นะที่ที่ทํางานรับใช้พระเจ้าเประเสซนที่โกศลเวลาไปทํางานปฏิบัติงานราชการเนี่ยอึดอัดเครียดทุกแต่ว่าจําเป็นต้องอยู่อะ่ะ คือด้วยเหตุผลบางประการหรือด้วยอัธยาศัยของไม่ได้สะสมมาในด้านการบวชหรืออย่างไรไม่ทราบแต่ท่านก็เป็นพระอริยาสาวกนะรู้ว่าถามว่าสนุกไหมอึดอัดไหมอึดอัดทุกข์ด้วยอึดอัดด้วยรําคาญด้วยแต่ว่าชอบไปฟังธรรมแต่ว่าจากที่ตรงนั้นไม่ได้นี่นะไม่ไม่สามารถจะจากเครียกว่าสถานที่ที่ทํางานได้อย่างที่ภู ก, การเล่าให้ฟังว่าโอ้โหงานมองแล้วมันเป็นกองทุกข์อย่างใหญ่เลยเนี่ยนะ แต่ถามว่าจากได้ไหมล่ะจากไม่ได้ถามว่าชอบไหมไม่ชอบจากไม่ได้แต่ว่าไม่ชอบแต่ก็ชอบเจริญกุศลมากกว่าเพราะฉะนั้นพระอริยส า, าวกสมัยก่อนเนี่ยท่านจึงมีใจน้อมไปในการเจริญพุทธานุสติธรรมานุสติสังขานุสติกลางวันก็ทำงานไปตอนเย็นก็ไปฟังพระธรรมคำสอนไปเนี่ยนะก็ะทาอยู่อย่างเนี้ย ทีนี้ในความที่ที่ท่านมีจิตในลักษณะเนี่ยท่านคือพระพระโสดาบันเป็นต้นไปนะพระโสดาบันนั้นเป็นผู้ที่เที่ยงจะตรัสรู้ในภายภาคหน้านนะนะท่านเป็นผู้ที่เที่ยงตรัสรู้ในภายภาคหน้าเพราะเป็นผู้อยู่ชิดประตูพระนิพพานแล้วว่างั้นเพราะฉะนั้นอย่างอื่นเนี่ยเห็นโทษหมดแล้วแต่ยังจากไม่ได้แต่ว่าต้องการจากว่างั้นเถอะนะวันนี้ยังออกไม่ได้แต่วันต่อๆไปก็จะจะออก ดัน้คนที่เห็นทุกข์เห็นโทษเห็นภัยของเรื่องบาปเรื่องอกุศลเรื่องอนะชีวิตที่ที่เป็นไปกับบาปอากุศลเนี่ยก็ต้องการที่จะเจริญกุศลอยู่ในลักษณะนั้นแหละนี่ก็ทําให้เห็นเออขนาดพระอริยาสาวกที่เป็นคารวาะท่านยังสุปฏิปันโนน ะ, ะถามว่าท่านสุปฏิปันโนดีปฏิบัติดีอย่างไรปฏิบัติดีตรงที่ว่าท่านไม่ได้นึกยินดีในกามมากจนเกินไป เขาว่าบริโภคสิ่งนั้นแต่ก็เห็นโทษอยู่เนี่ยนะถึงจับบริโภคกามเกี่ยวข้องกับรูปเสียงกลิ่นรสธรรมาหาเลี้ยงชีพทั่วไปเนี่ยนะก็ไม่ใช่ไม่เห็นโทษเห็นโทษแต่ยังจากที่นั้นๆไม่ได้นะท่านก็ยังยังปฏิบัติดีคือใจของท่านก็น้อมไปในทางเนคขมมะคือเห็นโทษของกามทั้งหลายอยู่ตลอดเวลานะคือใจเนี่ยเป็นไปกับกุศลมาก เห็นเห็นคุณค่าของพระธรรมคําสอนที่เป็นายเพื่อพ้นจากกองทุกขเหล่านั้นแล้วก็เห็นว่าพระพุทธเจ้านั้นเป็นผู้มีคุณมากมายที่ชี้นําประโยชน์ของเขาชี้ประโยชน์ให้เห็นว่ามีทางออกอยู่นะอย่างเงี้ยถึงวันนี้ยังออกไม่ได้แต่ก็คิดจะจะออกอยู่ใช่ไหมของเราวันนี้ยังดับขันตรีนี้ผ่านไม่ได้แต่ว่าก็มีใจที่จะปรารถนาเพื่อเพื่อความพ้นวัตทุกขอยู่ นะวานเออนี้ก็นับว่าเป็นความปฏิบัติดีของท่านอย่างหนึ่งเหมือนกัน น, นะแล้วท่านเหล่านั้นก็ดําเนินปฏิปทาซึ่งไม่ให้ขัดแย้งกับมรรคผลนิพพานอะไรนะเพราะอะไรเพราะท่านอยู่ในสัมมาอาชีวะท่านไม่ได้ทำตัวให้เป็นเสี้ยนน้ำต่ออริยมรรคเนี่ยนะคือเกี่ยวข้องกับสิ่งที่ก่อให้เกิดความเดือดร้อนทางกายทางใจอยู่ก็จริงส่วนหนึ่งแต่การกระทานั้นๆเนี่ยไม่ได้ก่อ ไปปิดกั้นอริยมรรคที่จะเกิดขึ้นข้างหน้าต่อไปอีกเนี่ยนะเพราะฉะนั้นบางท่านก็ขณะที่เป็นค า, า, ารวะก็สามารถที่จะเจริญกุศลธรรมเป็นพระสกะทาคามีบางท่านก็เป็นพระอนาคามีฉะนั้นอุบาสกที่เป็นพระอนาคามีไม่ได้บวชก็ก็หลายท่านหรืออุบาสกที่เป็นพระสกะทาคามีไม่ได้บวช น, นะเหมือนกับพระเจ้ามหานามะเนี่ยนะพระเจ้ามหานามะนี่ไม่ได้บวชเนี่ยนะแต่ว่าน้องชาเนี่ยบวชแทน คือระหว่างพี่กับน้องเนี่ยต้องบวชคนหนึ่งละผ่ <Okay. S 1> านุรุทธะไงผ่านุรุทธะเนี่ยก็คือในสากยะวงเนี่ยเพราะฉะนั้นทุกๆหลังคาเรือนจะต้องบวชหนึ่งคนเนี่ยนะมีข้อแม้ว่าเมื่อพระพุทธเจ้าออกบวชเนี่ยจะต้องบวชตามหนึ่งคน <Yeah. S 1> เพราะถ้าพระองค์เป็นจักรพรรดิเนี่ยกษัตริย์เหล่านี้จะต้องไปเพื่อนร้อม เนีนะ่คือคือถ้าอยู่คารวาจะเป็นพระเจ้าจากักรพรรดิใช่ไหมจกักรพรรดิจะต้องมีกษัตริย์แวดล้อมทีนี้เอ๊ท่านออกบวชเป็นพระพุทธเจ้าท่านกษัตริย์นักบวชกษัตริย์ต้องไปแวดล้อมอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นสกยะก็เลยตั้งกติกาไว้เลยทุกหลังคาเรือนต้องออกบวชเสร็จแล้วเหลือไอ้ตระกูลพระอนุรุท ธ, ธานี่แหละสองคนพี่น้องก็มาถามว่านี่เธอจะบวชไหมว่างั้นโอ๊ยผมบวชไม่ได้หรอกพี่ผมสุคุมาระชาติว่างั้นไม่เคยเหน็ดเหนื่อยอาบทุก เออไม่งั้นต้องทํานานนะแล้นามเป็นยังไงเมื่อการทานาเนี่ยก็บอกว่าเกิดมายังข้าวเนี่รู้ว่าข้าวเนี่มันเกิดในจานทองคํารู้อยู่เท่านั้นแหละเนี่ยขนมไม่มียังได้กินเลยขนมไม่มีล้างถาดใบหนึ่งแล้วปิดอีกใบหนึ่งเนี่ยขนมเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นทําไร่ไถนาเนี่ยไม่รู้สักอย่างแล้วก็วันหนึ่งเขาบอกว่าข้าวเนี่ยเกิดที่ไหนเพื่อนเพื่อนกันไลยคนลูกกษัตริย์นี่มานั่งคุยกันอีกคนหนึ่งบอกโอ้ข้าวมันก็เกิดในช้างสิ เกิในยุ่งอ่ะคือวันหนึ่งเขาไปเห็นคนเนี่ยข น, นข้าออกจากยุ่งมาใช่ไหมก็ข้าวมันก็ต้องเกิดในยุงอีกคนหนึ่งบอกเออแกนี่ไม่รู้ใหม่จริงเขาว่าข้าวมันต้องเกิดในหม้อสิคื อ, คอเวลาจะไปกินเขาจะตักจากหม้อมาให้เห็นใช่ไหมจารุทธาบอกพิเศษกับเพื่อนโอ้ยเจ้าข้าวเกิดในถาดทองคํากัว่ารู้อยู่ข้านั้นแหะเพราะฉะนั้นไอ้เรื่องทํานาเนี่ยเลยไม่รู้เรื่องเลยแต่ว่ากรรษัตริย์สมัยนั้นทนํานาใช่ไหม คิดดูว่ามงคลแรกนาขวัญกษัตริย์ต้องไปไถนาก่อนทีนี้ก็เล่าว่าเอ๊ะทำนาเป็นยังไงพี่พี่ชายก็เล่าให้ฟังเลยต้องทำนาแบบนี้นะจะต้องไถได้เวลาต้องไปไถไปดูแลจนถึงเก็บเกี่ยวเออแล้วทำเลยแสร็จเลยไหมหม่ต้องปีใหม่ก็ทำมาอีกทีนึ่ ง, งนะก็ทำอ ย, อย่างนี้ทุกปีนั่นแหละว้าผมทำไม่ได้หรอกบวชบวชแล้วก็เลยขอบวชพี่ชายก็เลยต้องอยู่ พออยู่ตอนหลังก็เป็นมหากษัตริย์ไงเป็นมหากษัตริย์เป็นพ่อตาของพระเจ้าเประเซนที่โกศลเมมีมีหลานชื่อว่าวิทูตภะเจ้าวิทูตภะเนี่ยมันล้างบางสักยะเกือบหมดเลยแต่ว่าพระเจ้ามหานามะนั้นเป็นพระสกทาคามีเนะซึ่งพระสูตรนี้ก็ลองฟังดูนะในจูลทุขขาคันทสูตร ในความปฏิบัติดีของอริยสาวกซึ่งเป็นพระพระโสดาบันแล้วก็ยังเป็นคารวัส ด, ด้วยที่กล่าวนี้ไม่ได้สรรเสริญคุณของคาวาดในการเป็นเครือข่ายญาติโยมแต่กล่าวในลักษณะว่าในความปฏิบัติดีปฏิบัติชอบเนี่ยนะถึงขนาดอยู่ในในเพศคาวาดก็ยินดีที่จะตะกุยตะกายเพื่อที่จะออกจากกองทุกข์ว่างั้นเถอะไม่ได้ยินดีในบาปยินดีในอกุศล แต่ว่าพระภิกษุก็ควรที่จะยินดีแล้วใช่ไหมว่าเออได้อยู่ห่างไกลไม่ต้องไปประกอบกิจบางอย่างไม่ต้องไปมีภาระหน้าที่บินทบาทก็ไม่ให้สะสมอย่างนี้ไม่ต้องเลี้ยงดูปูเสือใครก็จะได้มีเวลาในการประพฤติพรหมจรรย์ให้มากๆแต่คาระวะที่ไม่มีโอกาสได้ประพฤติขนาดนั้นท่านเหล่านั้นก็ยังสามารถสแสวงหาฝ่ายหาในการเจริญกุศลอยู่ตลอดเวลา้็ความในมนชิมนิกายมูลปัญ น, นา จูละทุ ก, กขคันธสูตรกล่าวว่าข้าพเจ้าได้สดับมาอย่างนี้สมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคเจ้าประทับอยู่ณนะนิโครธารามเขตก ร, กรุงกระบิลพัทแควนสักกะถ้าเมืองสาวัตถีเนี่ยนะวัดดังๆก็มีเชตวันกับบุภารามศักยะเมืองสักยะก็คือเมืองกระบิลพัทก็นิโครธารามเมืองโกสัมพีก็โคสิตารามเนี่ยนะ เมืองราชคร ก, ก็เวลุวันนะก็มีวัดที่ดังๆประจำเมืองอยู่เหมือนกันตอนนี้พระองค์ก็ประทับอยู่ที่เมืองกะบิลพัฒแคว้นสักกะเนี่ยนะครั้งนั้นเจ้าสักยะทรงพระนามว่ามหานามะเสด็จเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคเจ้าถึงที่ประทับถวายบังคมแล้วประทับนั่งณนะที่ควรส่วนข้างหนึ่งครั้นแล้วได้กราบทูลพระผู้มีพระภาคเจ้าว่วาข้าแต่พระองค์ผู้จเจริญ ข้าพระองค์เข้าใจข้อธรรมะที่พระองค์ทรงแสดงมานานแล้วอย่างนี้ว่าโลภะโทสะโมหะต่างเป็นอุปกิเลสแห่งจิตอุอปกิเลสนี้ก็คือสิ่งที่ทำให้จิตเศร้าหมองวางนั้นคือฟังมานานแล้วว่าไอ้สามตัวนี้แหละทำให้จิตเศร้าหมองอย่างยิ่งก็แหละเมื่อเป็นเช่นนั้นโลภะธรรมก็ดีโทโทสะธรรมก็ดีโมหะธรรมก็ดี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 คือท่านไม่มีปัจเวกขณะยานในข้อพิจารณากิเลสที่ยังเหลืออยู่ปัจเจกขณะยานเนี่ยพระโสดาบันเป็นต้นจะมีคนละห้าพิจารณากิเลสที่ละแลว้วพิจารณากิเลสที่ยังเหลือพิจารณาอริยมรรคพิจารณาอริยผลและพิจารณานิพพานมีห้าอย่างพระสกะทาคามีก็มีหแบบนี้ท่านาคามีมีหพระอาหารหันเนี่ยมีสคือพิจารณา กิเลสที่ละแล้วพิจารณาอริยมรรคอริยผลและนิพพานไม่มีการพิจารณากิเลสที่เหลืออยู่เพราะฉะนั้นเขาจึงเรียกว่าวิปัเปจเจกขณะยาน19เเนี่ยนะพระโสดาบันหพระสกาทาคามี5้าพระนาคามี5้าพระอรหันต์รวมเป็น19ทีนี้พระเจ้ามหานามะเนี่ยไม่มีปัจเจกขณะยาณข้อกิเลสที่ยังเหลืออยู่เนี่ยนะก็เลยคิดว่าเอ๊ะ ทำไมกิเลสยังเหลืออยู่ทําให้จิตเป็นไปกับอกุศลบ้างว่างั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสว่าดูก่อนมหานามะธรรมนั้นนั่นแลท่านยังละไม่ได้เด็ดขาดในภายในอันเป็นเหตุให้โลภะธรรมก็ดีโทสะธรรมก็ ด, โรรกดีโมหะธรรมก็ดียังครอบงําจิตของท่านไว้ได้เป็นครั้งคราวดูก่อนมหานามะก็ธรรมะนั้นจักเป็นอันท่านละได้เด็ดขาดในภายในแล้ว ท่านก็ไม่พึงอยู่ครองเรือนไม่พึงบริโภคกรรมแม้ละได้หมดขนาดนั้นก็บวชไปแล้ววะงั้นเถอะที่ท่านยังไม่บวชทุกวันเนี่ยก็เพราะว่ายังละได้ไม่หมดแต่เพราะท่านละธรรมะเช่นนั้นยังไม่ได้เด็ดขาดในภายในฉะนั้นท่านจึงยังอยู่ครองเรือนยังบริโภคกรรมดูก่อนมหานามะถ้าแม้อริยะสาวกเล็งเห็นด้วยปัญญาโดยชอบตามเป็นจริงว่ากรมนี้ ให้ความยินดีน้อยมีทุกข์มากมีความขับแค้นมากโทษของกรรมนี้ยิ่งว่าไงเถอะกรรมเนี่ย ม, มีโทษมากจริงๆว่าไงดังนี้แต่อริยะสาวกนั้นเว้นจากกรรมเว้นจากอากุศลรธรรมยังไม่บรรลุปีติและสุขหรือกุศลธรรมอื่นที่สงบกว่านั้นเธอจะยังเป็นผู้ไม่เวียนมาในกามไม่ได้ก่อนเนี่ยนะคือเห็นโทษแต่ก็ยังเวียนไป เกี่ยวข้องยังต้องบริโภคกว่านั้นแต่เมื่อใดเธอได้เล็งเห็นด้วยปัญญาโดยชอบอย่างนี้ว่ากามให้ความยินดีน้อยมีทุกข์มากมีความคับแค้นมากโทษในกามนี้ยิ่งดังนี้เธอก็ละเว้นจากกามเว้นจากอากุศลธรรมบรรลุปีติและสุขหรือกุศลธรรมอื่นที่สงบกว่าเมื่อนั้นเธอย่อมเป็นผู้ไม่เวียนมาในกามเป็นแท้ดูกรมหานามะ แม้เราเมื่อเป็นโพธิสัตว์ยังไม่ได้ตรัสรู้ก่อนตรัสรู้ทีเดียวก็เล็งเห็นด้วยปัญญาโดยชอบตามเป็นจริงว่ากามนี้ให้ความยินดีน้อยมีทุกข์มากมีความคับแค้นมากโทษในกามนี้ยิ่งดังนี้และเราก็เว้นจากกรมเวน้นจากอากุศลธรรมไม่บรรลุปีติและสุขหรือกุศลธรรมอื่นที่สงบกว่านั้น เราจึงปฏิ ญ, ญาณว่าเป็นผู้ไม่เวียนมาในกามมิได้ก่อนคือคือยังไม่ได้เห็นโทษแล้วก็ไม่สามารถที่จะบรรลุถึงกุศลธรรมชั้นสูงได้เนี่ยนะอย่างไรก็ต้องกลับเวียนไปหาอีกแต่เมื่อใดเราเล็งเห็นด้วยปัญญาโดยชอบตามเป็นจริงนี้ว่ากามให้ความยินดีน้อยมีทุกข์มากมีความคับแค้นมากโทษในกามนี้ยิ่งดังนี้ และเราก็เว้นจากกรรมเว้นจากอากุศลธรรมบรรลุปีติและสุขและกุศลอื่นที่สงบกว่านั้นและเมื่อนั้นเราจึงป ฏ, ป, ฏปฏิยานได้ว่าเป็นผู้ไม่เวียนมาในกามคือเป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ไม่เวียนกลับไปยินดีในรูปเสียงเปลี่ยนรสและโพธพภะในโลกนี้อะไรเป็นกามอะไรเป็นกรรมรกรรม็อ่า วัตถุหรืออารมณ์เป็นกามก็บอกว่าถ้าหากว่าวัตถุเป็นกามในโลกนี้ไม่มีใครละกามได้ไถ้าในโลกนี้นะวัตถุเป็นกามอย่างเดียวนะไม่มีใครละกามได้เด็ดขาดเพราะไอ้กามคืออะไรกามก็เกิดจากวิตกนะนะเกิดจากอากุศลวิตกเกิดขึ้นเนี่ยนะนะก็เกิดจากความดํารินั่นเองคือกามเพราะนะั้นอากุศลวิตกนั่นแหละเป็น กาพระพุทธเจ้ายังเห็นไหมเห็นพระองค์ฉันไหมฉันนะพระองค์ก็ยังอยู่ในภาคันทุกุตีรับกลิ่นหอมรับอะไรทั่วไปแต่พระองค์ไม่มีกามไม่ได้สวยกามเพราะจิตของพระองค์ไม่ได้ข้องในลักษณะนั้นดูก่อนมหานามะก็อะไรเล่าเป็นคุณของกามทั้งหลายอะไรเป็นอัสาธาของกามที่เรียกว่าคุณเนี่ยนะเคยคิดไหมเออสิ่งที่เราได้รับทั้งหมดเลยนะในชีวิตของเราที่เราเกี่ยวข้องแล้วเราได้อะไรจากสิ่งเหล่านั้นบ้าง เขาเรียกว่าได้คุณยังไงหรือได้อัสาธะอะไรบ้างถ้าบาลีเขาใช้ศัพท์อัศาธาเนี่ยนะถ้าถ้าไทยเราใช้คาว่าคุณเนี่ยมันก็ไม่ไ ม, ไม่ไม่สมบูรณ์นัก่ะนะพระองค์ตรัสว่าดูก่อนมหานามะกามาคุณห้าประการนี่แหละห้าประการเป็นชนยัยคือรูปที่พึงรู้แจ้งด้วย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 กามคุณห้าประการเหล่านี้แล้วความสุขความโสมนัสใดเล่าอาศัยกามคุณหเหล่านี้เกิดขึ้นนี้เป็นคุณของกามทั้งหลายคือเมื่อเกี่ยวข้องแล้วเนี่ยได้ความเพลิดเพลินเป็นอย่างยิ่งกว่างง น, นั้นจ้ะถ้าพูดถามว่าพูดทั่วไปนี่นะถามว่าสุรานี่มีคุณไหมอา้าวทำไมไม่มีมีใครกินแน่นอนไม่ติดเนี่ยยังไงก็ไม่ติดแต่ว่าเมื่อเมื่อคนกินเข้าไปเนี่ยได้ความเพลิดเพลิน ได้ความบันเทิงบางเงี้ยมัน ไ, ได้โสมนัสบางอย่างที่ที่มันเพลินอ่ะนะไม่ถ้าไม่ดีไม่เพลินเนี่ยคนไม่ติดแน่นอนแต่เพราะเพลิดเพลินคือมีคุณอันนั้นนี่แหละทําให้สัตว์ข้างหลายนี้เกี่ยวข้อง <c oughs> แล้วก็อาศัยโทษของกามเหล่านั้นเนี่ยพระองค์ก็ตรัสถึงทุกข์ที่เกิดจากการสแสวงหาเนี่ยนะอันนี้ฝ่ายโทษบ้างโทษก็คือนับตั้งแต่ กุลบุตรในโลกนี้เลี้ยงชีวิตด้วยความขยันเนี่ยนะประกอบในสาขาอาชีพต่างๆเพื่อเพื่อให้ได้วัตถุอนันเพื่อที่จะไปหาความสุขหาความสมาัะจากวัตถุนั้นๆเนี่ยนะประกอบอาชีพที่มากมายในในโลกเนี่ยเนี่ยนะเหน็ดเหนื่อยอาบเหงื่อต่างน้ำสัมผัสเหลือบยุงลมแดดเนี่ยนะร้อนเหน็ดเหนื่อยเนี่ยนะแล้วกามเหล่านั้นก็ไม่ไม่สำเร็จอย่างที่คิดเนี่ยนะ ไม่เสร็จเนี่ยนะก็ต้องสวอยความทุกข์ว่า ง, งั้นพระค์ก็ตรัสว่าดูก่อนมหานามะแม่นี้เราก็เป็นโทษของกามทั้งหลายเป็นกองทุกข์ที่เห็นกันอยู่มีกามเป็นเหตุมีกามเป็นต้นเข้ามีกามเป็นตัวบังคับเกิดเพราะเหตุแห่งกามทั้งหลายก็เพราะเมื่อทําแล้วไม่ประสบความสำเร็จเนี่ยนะยกตัวอย่างไอตอนที่เศรษฐกิจไม่ดีเนี่ยเห็นชัดเลยนะ่าตัวตายเอออะไรกันเอยเหล่านี้เนี่ยก็โทษมาจากอะไรโทษก็มาจากกามนั่นแหละแต่ก็มีคุณนะ แต่ว่าเราเนี่ยพอนึกถึงคุณก็หายเหนื่อยเลยใช่ไหมนึกถึงความสุขและสมนัตที่ได้รับจากสิ่งต่างๆเหล่านั้นถ้ามีทรัพย์นะเราก็ไปซื้อความสุขแบบนั้นแบบนั้นที่ที่ชอบใจที่ต้องการแต่ถ้าหาว่ากขาบอกว่าประกอบอาชีพแล้วไม่ประสบความสําเร็จเนี่ยนะก็ทุกข์เพราะไม่ประสบความสํนะมสาสเร็จในอาชีพแล้วก็กล่าวต่อไปอีกว่าถ้าเมื่อกุลบุตรนั้นขยันพยายามสืบต่ออยู่อย่างนี้โพคะเหล่านั้น ก็ไม่สำเร็จผลก็ทุกเพราะหาไม่สำเร็จตอนแรกทุกเพราะหาก่อนตอนหานี่ก็ทุกแทบตายแล้อ น, นะแล้วก็ทุกเพราะไม่ได้อย่างที่คิดอีกเสร็จแล้วก็เนี่ยจะกล่าวย่อๆไปนะถ้าพยายามแล้วอ่ะได้ซับมาทุกพอนามารักษาอีกรักษาดูแลเนี่ยนะอ่ะ อ่านบางสูตรท่านบอกว่าบางอย่างเนี่ยทําให้เกิดเนี่ยก็ทุกอยู่แล้วว่างั้นเถอะแต่ว่ารักษาทุกกว่านั้นอีกรักษ า, ยา ก, า, กษายากกว่ายากกว่าแสวงหาเขาว่าสแสวงหาก็พอได้แต่ว่ารักษานี่ยากกว่านั้นเยอะเจนพอแล้วก็เพราะการเป็นต้นเหตุนเนี่ยแหละโทษของตามเนี่ยนะทําให้คนทะเลาะเบาะแว่งกันพระราชาพระพิวาทกับพระราชา กษัตริย์ทะเลาะกับกษัตริย์พราหมณ์ก็ทะเลาะกับพราหมณเครือหาบดีก็ทะเลาะกับเครือหาบดีเนี่ยนะค้าขายก็ค้าขายกับทะเลาะกันแม่ยังทะเลาะกับลูกเลยพ่างั้นลูกกับทะเลาะกับแม่พ่อก็ทะเลาะกับลูกลูกกับทะเลาะกับพ่อพี่ชายน้องสาวทะเลาะกันหมดแหละอันถ้ายิ่งพ่อแม่ทิ่ยงมรดกไว้กองหนึ่งด้วยเนี่ยโอ้ยไปกันใหญ่เลยนะลูกเนี่ยศึกสงครามฆ่ากันเลยก็เพราะศึกแย่งทรัพย์สินนี่แหละ ก็แบ่งๆกันก็กลางคนหนังเชื่อๆกันใช้ไปเนอะไม่ได้ทําใจไม่ได้ต้องแกต้องไม่น้อยกว่าฉันฉันต้องมากกว่าแกอย่างเงี้ยมาทะเลาะเบาะแวงกันนั่นแหละพี่สาวน้องสาวทะเลาะกันหมดแหละเนี่ยนะแล้วเวลาทะเลาะแก่งแย่งกันก็ทําร้ายกันด้วยฟ้ามือด้วยก้อนดินด้วยท่อนไม้ด้วยสาตราบางคนก็ตายตรงนั้นบ้างบางคนก็ทุกปางตายตรงนั้นบ้างนี่เล่าก็เป็นโทษของกามที่เห็นกันอยู่นี่นะ ต้องทะเลาะเบาะแว่งกันด่ากันอะไรกันที่จริงที่ทะเลาะกันหรือโทสะเกิดแต่ละวันแต่ละวันนี้เพราะเรื่องกามนะฉนั้นคนที่ผ้านาคามีเนี่ยเมื่อไม่ยินดีในการท่านจึงละโทสะได้เด็ดขาดหมดเลยเห็น ไ, ไหมโทสะนี่เกิดจากอะไรภัยนี่เกิดจากอะไรเขาบอกว่าในในคาถาธรรมบทเนี่ยนะบอกว่าภัยเกิดจาก ความรักนะสุขโสมมนัทที่อาศัยกามนั่นแหละคือคือความรักความยินดีความพอใจเนี่ยนะเปรมะเนี่ยแปลว่าความพอใจหรือว่าความชอบใจอ่าภัยเกิดจากความรักทุกขหรือความกลัวเนี่ยเกิดจากความรักะฉนั้นผู้ที่ละความยินดีในสิ่งนั้นนั้นได้ภัยจากมีแต่ที่ไหนวังเงินทุกจากมีแต่แต่ไหนเพราะทำให้อ่าสิ่งที่เรากลัวเราไม่ค่อยพอใจไม่ค่อยชอบใจแสดงว่าเราสร้างความหวังอย่างใดอย่างหนึ่งไว้แล้ว พอไม่เป็นอย่างที่เราคิดเราก็เสียใจและวแตนถ้าหากว่าเมื่อหวังปั๊บความผิดหวังก็จะตามมาเพราะสิ่งที่หวังเนี่ยเป็นเหมือนอย่างที่เราคิดไหมไม่เป็นไม่มีอะไรเป็นอย่างที่เราคิดสักอย่างเมื่อไม่เป็นอย่างที่เราคิดเนี่ยความผิดหวังก็จะตามมาถ้าหวังใหญ่ผิดหวังใหญ่หวังน้อยๆผิดหวังน้อยๆถ้าละความหวังได้ไม่ผิดหวังเลยนี่ชีวิตมันกไร้รสชาติก็วงั้น ออบางคนก็ยินดีแบบนั้นอีกเนาะแต่ก็ถามว่าความหวังมีโทษไหมนั่นแหละแล้วพระองค์ก็แสดงต่อไปว่าก็เพราะกามอีกนั่นแหละโหสงครามเนี่ยนะเกิดการสู้รบหรือการปล้นหรือว่อาแม้กระทั่งปล้นแล้วก็ถูกลงโทษโดยประการต่างๆเนี่ยนะก็มาจากกาอันแล้วแม้กระทั่งเด็กที่ติดยาเสพติดเนี่ยนะ ก, ก็เกิดจากกาอีกนั่นแหละยาเสพติดก็คือ กาลชนิดหนึ่งเหมือนกันฉะนั้นคําว่ากามนั้นไม่ได้หมายถึงเรื่องเดียวที่ที่คนชอบคิดกันสิ่งใดที่เป็นอารมณ์ของโลภะจิตอะสิ่งนั้นเรียกว่าวัตถุ ก, กามใจที่ไปยินดีในทุกๆอารมณ์เนี่ยนะในโลกิยธรรมทั้งหมดเว้นมรรคผลนิพพานอะจิตอันนั้นก็เรียกว่ากามอันอย่างของพวกเราเนี่ยนะคิดที่ไม่ใช่กามเนี่ยหายากมาก แต่ก็จะได้บ้างก็คือเมื่อคิดออกจากอารมณ์ต่างๆนั้นๆจึงจะเป็นเนคขมะแต่สรุปแล้วเราก็นึกไม่พ้นจิตเจตสิกและรูปเนี่ยนะแล้วก็บัญญัติที่อาศัยจิตเจตสิครูปเหล่านั้นเพราะเราไม่สามารถที่จะมีโลกุตระรมเป็นอารมณ์ได้ที่จะพ้นได้โดยนิสสรณะได้อันก็ต้องเกี่ยวข้องแต่ทีนี้เกี่ยวข้องเนี่ยชั้นต้นเลยก็ให้คานึงถึงทุกโทษต่างๆเนี่ยนะ องตรัสว่าดูก่อนมหานามะอีกประการหนึ่งมีการเป็นเหตุมีการเป็นต้นเขามีการเป็นตัวบังคับเหตุเพราะการทั้งหลายเนี่ยนะฟุงชนต่างประพฤติกายะทุจริตเห็นไหมอาศัยวัตถุเหล่านั้นต่างเนี่ยนะทำชั่วทางกายวจีทุจริตทําความชั่วทางวาจาโมโนทุจริตคิดชั่วทางใจชนเหล่านั้นคลั่งประพฤติกายทุจริตวจีทุจริตมโนทุจริตเบื้องหน้าแต่ตายเพราะกายแตกย่อมเข้าถึงอบายทุกติ วินิบาตและนรกดูก่อนมหานามะแม้นี้เล่าก็เป็นโทษของกามทั้งหลายเป็นกองทุกนายสัมปรายภพมีกามเป็นต้นเหตุมีกามเป็นต้นเข้ามีกามเป็นตัวบังคับเกิดเพราะเหตุแห่งกามทั้งหลายทั้งนั้นแหละเนี่ยนะอาศัยกามนั่นแหละก็อยอมถึงกับทำบาปทำกรรมนึกถึงครอบครัวบางครอบครัวนี่นะ ที่ที่จริงใ น, ในคนคนนั้นเนี่ยเขาไม่จําเป็นจะต้องไปทําอาคุศลอย่างใดอย่างหนึ่งเลยถ้าเฉพาะเขาอยู่คนเดียวนะแต่เขามีครอบครัวเป็นต้นเนี่ยนะเขาต้องไปทําอาคุลน่ะอย่างเง้ขาก็เวลาเขาทําอาคุศลก็อ้างครอบครัวเป็นต้นที่พูดเนี่ยนึกถึงยมพ่อถ้าเฉพาะลําพังตัวแกเองแกกไไ็ไม่ต้องทําปานาติบาตอะไรมากมายนะไม่ต้องไปหาปูหาปลาไปทําบาปอะไรตั้งมากมาย แต่ที่นี่เรานึกเลยนะเออยมพ่อเนี่ยตั้งแต่เกิดมาเด็กๆเนี่ยแกก็หาปูหาปลาหาอะไรมาเนี่ยแทบไม่เวน้นแต่ละวันแต่ละวันแต่ละวันเลยโอ้ตั้งแต่เราตั้งแต่เด็กๆเนี่ยนะเพราะเหตุแห่งครอบครัวเพราะเหตุแห่งบุตรภรรยาเนี่ยเราก็ลูกตั้งหลายคนใช่ไหมนี่ตั้งหลายคนเนี่ยผมทําบาปขนาดไหนอ่ะแต่ละวันแต่ละวันมันปราไม่ได้แบบไปเจอปลาช่อนตวงกิโลกว่าๆถ้าหม้อเดียวที่เรียบร้อยเลยใช่ไหม ไม่ใช่ปลาเล็กๆตัวเท่านิ้วมือนิ้วอะไรอย่างเงี้ยกว่าจะเจอเท่าข้อมือทียนก่อนนอนมันนึกถึงโอ้โหอกุศลไม่ใช่น้อยๆเลยเพราะการเป็นต้นเหตุ น, นั่นแหละถึงกระทากายะทุจริตใช่ไหมปานาติบาตแต่นี่นี่ก็นับว่าคนดีแบบระดับท้องถิน่นมั้งงั้นถ้าหนักกว่านั้นอีกก็อาทินาทานเนี่ยนะคือถ้าหาว่าทําปานาติบาตในระดับชนบททั่วไปเป็นที่ยอมรับว่าเออคนนี้ขยนันขันแข็งทํามาหากินดี แต่ถ้าอธินาทานเนี่ยสังคมไม่ยอมรับนะบางคนก็ถึงกับล่วงละเมิดทําอธินาทานบางคนก็หนักไปกว่านั้นมุสาวาตพุ ส, พสาวาจาเป็นต้นเนี่ยนะประกอบอาชีพที่เป็นบาปเป็นอกุศลก็เพราะเหตุแห่งแห่งกามนั่นแหละเสร็จแล้วก็ผลอันนั้นเนี่ยนะก็ทําเป็นเหตุให้ไปสู่อาบายทุคติวินิบาดนรกดงนั้นความทุกข์เหล่านั้นก็เกิดจากเห็นคุณของกามซึ่งมีไม่มากนักเนี่ยนะ พองตรัสว่าดูก่อนมหานามะสมัยหนึ่งเราอยู่ที่ภูเขาคิจกูดเขตพระนครราชครึกสมัยนั้นนะตำบลกาลสิลากาลแปลว่าดำนะตาบลหินดํำข้างภูเขาอิสิคิลิพวกนิครนจานวนมากเป็นผู้ถืออยู่ถือการอยู่ป่าเป็นวัดห้ามการนั่งสเสวยทุกขเวทนาแรงกล้าเผ็ดร้อนอันเกิดแตกความพยายามเหมือนกันคือเขาไปประพฤติวัดแบบศาสนาของเขาเนี่ยนะ ก็คล้ายๆกับจุดไฟเผาหรือเปล่าแต่นี้เป็นการทรมานตัวแบบฤอษีทั่วไปเนี่ยนะถ้าคนที่ไปอินเดียก็น่าจะเห็นภาพเหล่านี้นะฤอษีที่ไปนั่งทรมานตัวข้างๆหาดทรายอะ่ะที่เห็นตามรูปเนี่ยเยอะเลยเห็นไมนะไปนอนบนนอนบนน้ำบ้างอะไรบ้างเนไหมเขาประพฤติวัดที่อุกฤษดมากนะเนอ ก, กำมืออย่างเดียวเนี่ยเล็บงอกหลังมือได้เขาทาได้ขนาดนั้นนะ คนอินเดียนี่เป็นคนที่ทําอะไรก็เกินกว่าคนธรรมดาคิดเหมือนกันเห็นไหมเพราะอย่างพระโพธิสัตว์ของเราเนี่ยทรมานตนเนี่ยถ้าทรมานต่อกว่านั้นอีกหน่อยตาอย่างเดียวเนี่ยนะถึงที่สุดของการทรมานแล้วจึงเลิกฟังกันครั้งนั้นแลเราออกจากที่หลีกรันในเวลาเย็นเข้าไปหาพวกนิครณถึงประเทศกาลสิลาข้างภูเขาอิสิคิลิได้กล่าวความข้อนี้กับพวกนิครณเหล่านั้นว่า ดูก่อนนิครนผู้มีอายุทั้งหลายฉไนเล่าพวกท่านจึงถือการยืนเป็นวัดห้ามการนั่งยืนอย่างเดียวไม่นั่งไม่นอนอย่างอื่นนะยืนอย่างเดียวนะหนักกรยามเองไหมเสวยทุกขเวทนาแรงกล้าเผ็ดร้อนอันเกิดแต่ความพยายามดูก่อนมหานามะเมื่อเรากล่าวอย่างนี้แล้วพวกนิครนเหล่านั้นได้กล่าวกับเราว่าดูก่อนผู้มีอายุนิครนนาตะบุตร ผู้รู้ธรรมะทั้งปวงเห็นธรรมะทั้งปวงยืนยันญาณทัศนหมดทุกส่วนว่าเมื่อเราเดินไปก็ดียืนก็ดีหลับก็ดีตื่นก็ดียาณทัศนะปรากฏอยู่ติดต่อเสมอไปนะนี่คนหน้าตาบทนั้นกล่าวอย่างนี้ว่านะก็คือยอมรับในในความรู้ของอาจารย์เนี่ยนะคือนีคนหน้าตาบทเนี่ยโหสัพพันอยูตลอดเลยหลับอย่างรั่ว ไม่ว่าจะหลับจะตื่นจะลุกจะเดินเนี่ยรู้ไปหมดเลยพระพุทธเจ้าเป็นอย่างนั้นไหมพระองค์เป็นสัพพันยูรู้ทุกอย่างนี่รู้ยังไง ร, รู้ว่าพระองค์เนี่ยเนื่องด้วยอวชนาการพระองค์ประสงค์จะรู้สิ่งใดความรู้อันนั้นก็จะเกิดขึ้นนะนะถึว่าพระองค์อยากจะเห็นว่าเออที่ตรงนี้เนี่ยเคยมีเหตุการณ์ใดๆบ้างเนี่ยพระองค์นึกแว๊บหนึ่งก็รู้หมดละลักษณะนี่นะสัพพันยูแบบนี้ไม่ใช่ว่ายืนเดินนั่งนอนรู้ ไปหมดเลยเนี่ยนะสมมุตินาะเหมือนกับของเราเนี่ยรู้เรื่องเมืองเชียงใหม่เนี่ยเรารู้ตลอดเวลาเลยเนี่ยถ้ารู้ตลอดเวลานี่ก็แย่แล้วนะก็ <c oughs> คือรู้เป็นพักๆใช่ไหมนึกเมื่อไหร่จึงจึงรู้พระองค์ก็ลักษณะนั้นแหละแต่นี้เขาไม่อย่างนั้นเนี่ยรับที่นี้เขาถือว่าเขายืนเดินนั่งนอนหลับยังรู้เลยอ่ะรู้หมดเลยนั้นนิครนคนนี้เนี่ยที่สัพพันยูรู้ไปหมดสอนว่า ดูก่อนนิครนทั้งหลายผู้เจริญบาปประกรรมที่พวกท่านทําแล้วในการก่อนมีอยู่พวกท่านจงสลัดบาปการนั้นเสียด้วยปฏิปทาอันประกอบด้วยการกระทําที่ทําได้ยากอันลำบากนี้ข้อที่ท่านทั้งหลายสํารวมกายสํารวมวาจาใจในบัดนี้นั้นเป็นการไม่กระทาําบาปประกรรมต่อไปทั้งนี้เพราะหมดกรรมเก่าด้วยตบะเพราะไม่ทํากรรมใหม่ ความไม่ถูกบังคับต่อไปจึงมีเพราะไม่ถูกบังคับต่อไปความสิ้นกรรมจึงมีเพราะสิ้นกรรมความสิ้นทุกข์จึงมีเพราะสิ้นทุกข์ความสิ้นเวทนาจึงมีเพราะสิ้นเวทนาจกเป็นอันพวกท่านสลัดได้ทั้งหมดเนี่ยคือรัที่ของเขาไนงะถ้าหากว่าไม่ได้ฟังคำสอนมาเป็นอย่างดีเนี่ยฟังขึ้นนะอา่าฟังขึ้นอย่างอย่างทฤษฎีที่ว่าบุคคลจะได้รับความสุขเพราะความ ต้องทุกข์ก่อนสุขจึงจะได้ก็ว่ากันแต่นั่นหมายถึงการมาสุขบางอย่างนะแต่พระองค์ตรัสไว้เลยว่าความสุขเนี่ยไม่ได้บรรลุถึงเพราะความทุกข์ใช่ไหมถ้าหากว่าความสุขบรรลุได้เพราะความทุกข์เนี่ยพระองค์ทรมานตนก็ต้องเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพราะการทรมานแต่หาเป็นเช่นนั้นไม่อาการบรรลุถึงสุขที่แท้จริงนั้นก็ต้องบรรลุด้วยอริยมรรคอันประกอบไปด้วยองค์8 นะเพราะฉะนั้นคําที่นิครณหน้าตาบทกล่าวแล้วนั้นชอบใจและควรแก่พวกข้าพเจ้าแล้วฟังแล้วเลื่อมใสามากกับคําสอนอันนี้ว่างั้นเพราะเหตุ น, นั้นพวกข้าพเจ้าจึงเป็นผู้มีใจยินดีพระองค์ตรัสว่าดูก่อนมหานามะเมื่อพวกนิครณกล่าวอย่างนี้แล้วเราได้กล่าวกับนิครณเหล่านั้นว่าดูก่อนนิครนผู้มีอายุพวกท่านทราบหรือว่าเราทั้งหลายได้มีแล้วในการก่อนมิใช่ไม่ได้มีแล้วรู้ไหมเอออดีตเนี่ยท่านเคยมีมาแล้วนะ เคยรู้ไหมว่าไงนิครนก็บอกว่าดูก่อนท่านผู้มีอายุข้อนี้หาไม่ได้เลยพระผู้มีพระภาคตรัสว่าดูก่อนนิครนผู้มีอายุพวกท่านทราบละหรือว่าเราทั้งหลายได้ทําบาปประกา ร, รแล้วในก่อนมิใช่ไม่ได้ทําไว้แล้วนะเออเราเป็นคนมีบาปนะรู้ไหมไม่รู้รู้ไหมว่าเราเคยทําบาปไปแล้วไม่รู้ว่าไง พองค์ตัดถามแต่ว่าดูก่อนนี่คนผู้มีอายุพวกท่านทราบหรือว่าเราทั้งหลายได้ทําบาปตกรรมอย่างนี้อย่างนี้รู้ไหมว่าไปทําอะไรมาบ้างทําความชั่วทางกายทางวาจาหรือทางใจเนี่ยไปทําบาปชนิดไหนมาว่ากันก็บอกว่าหาไม่ได้เลยแปลว่าไม่รู้พองค์ตัดว่าดูก่อนนี่คนผู้มีอายุท่านทราบหรือว่าทุกเท่านี้เราสลัดได้แล้วหรือว่าทุกเท่านี้เราต้องสลัดเสียหรือว่าเมื่อทุกเท่านี้ เราสลัดได้แล้วจักเป็นอันสลัดทุกได้ทั้งหมดรู้ไหมว่าเมื่อท่านมาปฏิบัติบําเพ็ญตะบะอย่างอุกฤษอย่างนี้เนี่ยถ้าวันนี้นะทำตัวอุกฤษขนาดนี้ละทุกได้เท่านี้เนี่ยนะเอาบวกเอาแบบบวกลบคูณหารแบบนี้นะถ้าใช้สิบบาทถ้ากู้มาร้อยหนึ่งถ้าใช้สิ บ, บาทไปก็เหลืออีกเกิ 90, ใช่ไหมค่อยๆลบไปอย่างนี้ไปเรื่อยๆ เ, เ, เดี๋ยวก็หมดเองอันนี้ท่านรู้ไหมว่าท่านปฏิบัติแล้วท่านละนี่อะไรได้บ้างละบาปประการอะไรได้บ้าง นีถ้าหารมาถามเราบ้างเออปฏิบัติอย่างนี้แล้วละบาปประกรรมได้ยังไงของเราเนี่ยถ้าตอบคําตอบนี้ไม่ได้นะเราฉลาดเท่าเขานี่แหละต่างกันยังไง <K> ของเราต่างเขาไหมต่างกันละที่นี่ไหมอ่านะนะถ้าเราศึกษาธรรมะอย่างนี้เนี่ยเราละบาปอะไรได้บ้างละบาปนั้นจะหมดเมื่อไหร่ใช่ นี่คือระบาปเก่าอะนะละผลของกรรมเก่าให้หมดเลยเนี่ยนะไม่มีหมดยังไงก็ไม่หมดเพราะอะไรมันทํากรรมใหม่เรื่อยถ้าจักขุทวารวิถีนะรับห้าทำเจ็ดนะะมโนทวารวิธีเนี่ยหูยเยอะแยะไปหมดเพราะฉะนั้นเราทํามากกว่ารับเพราะฉะนั้นถามมาจบเมื่อไหร่ชีวิตเนี่ยที่สุดของชีวิตอยู่ที่ไหนไม่มีไม่ไม่จบแน่นอนอนะไปเรื่อยเรื่ยเรื่อยๆรื เพราะันความบริสุทธิ์จึงไม่ใช่ว่าไปทําตะบะให้มันอุกฤษไปนั่งอย่างเดียวไม่ลุกยืนอย่างเดียวไม่ลุกให้มันทุกที่สุดแล้วพิจารณาทุกอันนั้นแล้วจะพ้นจากทุกไม่มีทางอย่างไถ้าหากว่าไม่ตรัสรู้ด้วยอริยมรรคอันประกอบไปด้วยองค์แเนี่ยนะเพราะนั้นเวลาปฏิบัติไปแล้วเนี่ยของนิโครนเขบอกว่าปฏิบัติแล้วมันหมดทุกไปเท่านี้ก็ยังไม่รู้ของเราเนี่ยนะถ้าเป็นพระโสดาบันแล้วรู้เลยว่าทุกเหลือเท่าไหร่ใช่ไหมอา้าวเหลือถ้ามาเป็นมนุษย์อีกไม่เกินเจดชาติ ถ้าเป็นพระสกท า, าคามีเหลือทุกข์อีกครั้งเดียวอย่างนั้นถ้ามาเกิดเป็นมนุษย์เนี่ยนะถ้าเป็นพระนาคามีไม่กลับมาสู่โลกนี้อีกแล้วถ้าเป็นพระอรหันต์ดับทุกข์ได้หมดเกลี้ยงเลยของเราเนี่ยถ้าเป็นพระอริยะเจ้าแล้วจะรู้เลยแต่สรุปแล้วถ้าของพวกเรานะยังละอะไรไม่ได้สักอย่างเลย <laughs> เพราะสิ่งที่เราทํานี่เป็นเป็นบุญใช่ไหมสิ่งที่เราทํานี่เป็นบุญเมื่อบุญก็นับเป็นปุญญาพิสังขารอภิสังขารคือปรุงแต่งวิบากและกระตัตารูป มหากุศลที่เราทําทํากันอยู่เนี่ยเป็นปุญญาพิสังขนันเนี่ยนะปรุงแต่งวิบากและกรรมชรูปบุญเหล่านี้ก็ให้ผลเป็นมนุษย์และสุขติเนี่ยนะมนุษย์และเทวดาสุขติโลกสวรรค์ว่า ง, งั้นเถอะคือมนุษย์และเทวดานะอันนี้สงการฟังธรรมมหากุศลที่เกิดความรู้ความเข้าใจพวกนี้เนี่ยให้ได้เกิดได้เจ็ดที่เท่านั้นเองเ น, นะสามารถเกิดเป็นมนุษย์กับเทวดาอีก6กชั้นเมื่อเกิดมาแล้วเนี่ยมีชาติติดตามไหม เกิดนั่นแหละเรียกว่าชาติชาราก็ติดตามมรณะก็ห้าหันก็เหมือนกับว่า น, นี่นั่นแหล ะ, ะเชิญฟาพิบัติอย่า ง, างชัดเจนมากเลยศา ส, สนานนนเชเาิอย่างโอ้โหลแดงมากสุดเลยพราะเขาว่าเขาถือว่าเขาปฏิบัติแบบนี้แล้วจึงจะพ้นจากทุกข์ใช่ม<อ>แต่มันตรงกันข้ามกับคำสอนในพระผู้มีพระภาคหมดเลยแล้วพระองค์ก็ถามต่อไปว่า ดูก่อนนี้คนผู้มีอายุพวกท่านทราบการละกุศลธรรมการบําเพ็ญกุศลธรรมในปัจจุบันหรือรู้ไหมเรียกว่ารู้ความแตกต่างว่าเออเนี่ยละกุศลละแบบนี้นะเจริญกุศลเนี่ยเจริญแบบนี้แยกแยะออกไหมของเรานะเห็นหอารมณ์นี่แยกกุศลนากุศลออกไหมทําไมจึงเป็นอกุศลเป็นกุศลเพราะอะไรเนี่ยนะถ้าหากว่าแยกไม่ออกก็ฉลาดเท่ากันอีก ก็บอกว่าไม่รู้นะกุศลละได้ยังไงก็ไม่รู้กุศลเจริญยังไงก็ยังไม่รู้เลยเพียงแต่มารู้ว่ายืนให้มันทุกขี่สุดเท่าที่จะทุกได้เหมือนกันเถิดดูก่อนนิครนผู้มีอายุตามที่ได้ฟังมาเหมือนกันคือตามที่ท่านเล่าให้ฟังเนี่ยนะพวกท่านก็ไม่รู้ว่าในปางก่อนเราได้มีแล้วหรือไม่ในชาติอดีตก็ไม่รู้เหมือนกันไม่รู้ว่าในปางก่อนเราได้ทําบาปกรรมหรือไว้หรือไม่ทั้งไม่รู้ว่าบาปกรรมทําไว้อย่างนั้นอย่างนี้ ไม่รู้ว่าทุกเท่านี้เราสลัดได้แล้วทุกเท่านี้จําต้องสลัดเมื่อสลัดทุกนี้ได้แลว้วทุกทั้งพวงจกเป็นอันสลัดไปด้วยไม่รู้จากการละอกุศลธรรมและการยังกุศลธรรมให้เกิดขึ้นในปัจจุบันดูก่อนนี่คนผู้มีอายุเมื่อเป็นเช่นนี้คนทั้งหลายจักบวชในสํานักของท่านก็เฉพาะคนที่มีมารยาทเลวซามเป็นคนมือเปื้อนเลือดทํากรรมชั่วช้าเป็นผู้ เกิดสุดท้ายในภายหลังหมู่มนุษย์เหมือนกันคือแปลว่าเลวที่สุดเหมือนนเถอะนิครน <N ic ron> บอกว่าดูก่อนท่านพระโคโดมผู้มีอายุบุคคลไม่ใช่จะประสบสุขด้วยความสุขแต่จะประสบสุขได้ด้วยความทุกข์แท้เห็นไหมเออความสุขนี่มันจะต้องได้รับเพราะความทุกข์สิเหมือนกันไม่ใช่ว่าสุขได้เพราะสุขใช่ไหมก็ถ้าหากบุคคลจะประสบความสุขได้ด้วยความสุข พระเจ้าพิมพิสารจอมทัพเจ้าแผ่นดินมคตก็คงประสบความสุขเพราะพระเจ้าพิมพิสาร จ, จ่อจอมทัพเจ้าแผ่นดินมคตอยู่เป็นสุขกว่าท่านพระโคโดมว่างั้นนะพระเจ้าพิมพิสารนี่ก็ทุกมาก่อนนะแต่ตอนนี้ท่านมีความสุขที่สุดว่างั้นเถอะพระองค์ตรัสว่าเป็นการแน่นอนที่พวกท่านนิครทั้งหลายหุนหันไม่ทันพิจารณาจึงพูดว่างั้นเออคำพูดนี้เกิดจากการไม่ใคร่ครวนนะว่างั้น ว่าที่กล่าวว่าพระเจ้าพิมพิสารเนี่ยมีความสุขกว่าพระสมณะโคดมเหมือนกันเออก็เราเท่านั้นที่พวกท่านควรซักไซไล่เลียงในเรื่องสุขเรื่องทุกข์นะว่าใครเล่าเนอจะอยู่สบายดีกว่ากันเหมือนกันคือพระเจ้าพิมพิสารกับพระพุทธเจ้านี่ใครมีความสุขกว่ากันพระเจ้าพิมพิสารจอมแผ่นดินมคตหรือท่านพระโคดมเอง เพื่อนิครนก็บอกว่าดูก่อนท่านพระโคโดมผู้มีอายุเป็นการแน่นอนที่ขปเจ้าหุนหันพันเล่นไม่ทันพิจารณาจึงพูดว่าดูก่อนท่านผู้มีอายุบุคคลมิใช่จะประสบความสุขด้วยความสุขแต่จะประสบความสุขด้วยความทุกแท้ก็ถ้าหากบุคคลจะประสบความสุขได้ด้วยความสุขพระเจ้าพิมพิสารจอมทัพแผ่นดินมคตก็คงประสบความสุขเพราะพระเจ้าพระเจ้าพิมพิสาร จอมทัพแผ่นดินมคตอยู่เป็นสุขยิ่งกว่าท่านพระโคดมเอาละยุดไว้เพียงเท่านี้บัดนี้ข้าพเจ้าจะต้องถามท่านพระโคดมดูบ้างว่าใครเล่าน้อจะอยู่สบายดีกว่ากันพระเจ้าพิมพิสารจอมทัพเจ้าแผ่นดินมคตหรือพระโคดมนะพระเจ้าพิมพิสารกับพระพุทธเจ้าใครมีความสุขกว่ากันใช่ไหมพระเจ้าพิมพิสารเนี่ยคนจัดแจงดูแลปริบัติหมดขงศนมนางในเนี่ยนะคนมีคนคอยมาตรวจสอบหมดเลยนะท่ากษัตริย์ บางประเทศเนี่ยเขาบอกว่าแม้แต่อุจาระมาเนี่ยต้องมีคนมาตรวจเช็คให้หมดเลยว่าสุขภาพดีหรือไม่ดีเนี่ยนะเ ข, เขาเช็คขนาดนั้นงนั้นพระ อ, องค์ตรัสว่าดูก่อนนีครรผู้มีอายุถ้าอย่างนั้นเราจะต้องถามพวกท่านในเรื่องสุขเรื่องทุกนั้นบ้างนะถามดูก่อนนะว่ากันท่านจะเข้าใจอย่างไรก็พึงถแถลงอย่างนั้นดูก่อนท่านนิครรภผู้มีอายุพวกท่านจะเข้าใจความข้อนั้นเป็นฉไฉพระเจ้าพิมพ์ิสารจอมทัพเจ้าแผ่นดินมคต จะทรงสามารถไม่ทรงไหวระกายไม่ทรงพระดำรัสทรงสวรบรมสุขส่วนเดียวอยู่เจ็ดคืนเจ็ดวันได้หรือนั่งอย่างเดียวไม่กระดิกเลยนะนั่งสุขอย่างเดียวเลยเจ็วันเนี่ยทำได้ไหมโอ้ไม่ไหวละท่านก็นวะนะพงศ์ก็ตรัสว่าดูก่อนนี่ครรผู้มีอายุพวกท่านจะเข้าใจความข้อนั้นเป็นฉนัยพระเจ้าพิมพิสารจอมทัพแผ่นดินมคตเนี่ยนะจะทรง ไม่ส่งไหวพระกายไม่สรงพระดํารัตส่งสวยบรมสุขส่วนเดียวหกคืนหกวันโอ้ไม่ไหวหลังห้านะคืนห้าวันไม่ไหวนั่งสุขอย่างเดียวเนี่ยนะสี่คืนสี่วันไม่ไหวอีกสามคืนสามวันไม่ไหวอีกสองคืนสองวันวันหนึ่งคืนหนึ่งเนี่ยนะพระเจ้าพิมพิสารนั่งสวยสุขอย่างเดียววันหนึ่งคืนหนึ่งเนี่ยทาได้ไหมโอ้ไม่ไหวละท่านพระองค์ตรัสว่าดูก่อนนี่คนผู้มีอายุ เราแหละสามารถไม่ไหวกายไม่พูดเสวยสุขส่วนเดียวอยู่เพียงวันหนึ่งคืนหนึ่งเนี่ยนะพระ อ, องค์เนี่ยอย่าว่าแต่วันหนึ่งคืนหนึ่งเลยสองวันก็ได้สาวันก็ได้สี่วันก็ได้ไดห้าวันก็ได้เจ็ดวันไม่กระดิกไม่พูดก็มีความสุขได้เพรางั้นน่ยดูก่อนนี่คนผู้มีอายุพวกท่านจะเข้าใจความข้อนั้นเป็นไงเมื่อเป็นเช่นนี้ใครจะอยู่สบายกว่ากันพระเจ้าเพ็มพิสารจอมแผ่นดินเจ้าแผ่นดินมคต หรือเราเองเออเมื่อเป็นเช่นนี้ท่านพระโอดมสิอยู่สบายกว่าพระเจ้าพิมพ์พิสารจอมทัพเจ้าแผ่นดินมคธเหงือนกันพระผู้มีพระภาคเจ้าได้ตรัส ด, ดังนี้แล้วเจ้าสากยะมหานามะทรงมีพระทัยชื่นชมยินดีพระภาสิตของพระผู้มีพระภาคเจ้าแลาคือพระเจ้ามหานามะนั้นเป็นพระสกธาคามีนีขนาดพระนักสกธาคามีท่านก็ยังมีกิเลสครอบงําบ้างเป็นครั้งคราวว่างั้นเต่ แต่เมื่อเทียบไปแล้วเนี่ยโลภะของท่านเนี่ยนะถ้าเต็มร0 0เนี่ยนะท่านละได้ 50% อร์แล้วเนี่ยนะโทสะร0 0เรนี่ยท่านละได้ 50% แล้วเพรา ะ, ะนั้นทำราคาโทสะให้เบาบางเนี่ยนะท่านสมบูรณ์ด้วยศีลเนี่ยนะสมาธิพอประมาณปัญญาพอประมาณว่า ง, งั้นแต่ท่านก็มีศีลแบบพระอริยาสาวกที่เป็นคารวาเนี่ยนะ จบแล้ค <c oughs> ือเราลองมาคิด <lite> ดูว like <bbe> ่าสมัยนั้นนี่นะครับแม้แต่พระพูทภาคทรงแสดงทรงแสดงเหตุผลอย่างนี้นะครับพวกนี้คนก็ยังไม่เชื่อนะครับมีบางอาจจะมีบ้างที่เชื่อแต่ว่าก็มีพวกนี้คนนะครับ ที่เชื่อในศาสดาของตัวเขาเองที่เขาทาอย่างเนี้ยเขาเชื่อในบุคคลมากเลยเขาเชื่อมากเลยว่าว่าศาสดาเขานี่เป็นสรพพันญูนใช่ไหมแต่แต่ที่ขอมาเข้าใจก็คือการที่พระผู้มีพระภาคเจ้าเนี่ยนะทรงไปตรัสณนะที่แห่งใดแห่งหนึ่งอยู่เนี่ยนะนั้นพระองค์เนี่ยแหลงเห็นความเห็นประโยชน์บางอย่างแล้วยกตัวอย่างไปคุยกับคนนี้เพื่อมีผลกับอีกคนหนึ่ง พระองค์ก็จะไปสนทนากับคนนี้เพื่อมีผลกับอีกคนหนึ่งเนี่ยนะหรือคนนี้เนี่ยวันนี้ไม่เปลี่ยนจริงแต่วันหลังเปลี่ยนเนี่ยนะเพื่อเป็นวาสนาบารมีของเขาไปเนี่ยนะเพราะพระองค์นี้สงเคราะห์ศาสตร์ทั้งหลายไม่เฉพาะแต่ชาตินี้อย่างเดียวพระองค์นั้นทรงแสดงธรรมเนี่ยนะถ้าหากว่าผู้ที่จะบรรลุธรรมในชาตินี้ได้พระองค์ก็สแสดงให้เขาบรรลุเนี่ยนะตามสมควรแก่วาสนาว่าเขาจะเป็นพระอริยาสาวกชั้นไหน แต่ถ้าไม่ได้บรรลุเนี่ยนะพอมีอุปนิสัยถึงไตราสารณคมได้ไหมเนี่ยนะศีลห้าได้ไหมเนี่ยนะหรือว่าสมมาทานอุโบสถเพิ่มได้ไหมพระองค์ก็จะวางอุปนิสัยไว้อีกสักแสนมหากับพระพุทธเจ้าองค์นั้นจะมาตรัสรู้เออค่อยๆบ่มตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปนะ้าของมายังนึกเลยนะตั้งแต่แรกๆเนี่ยไม่ได้บวชทั้งทีเลยแล้วสมัยเด็กๆ เ, เนี่ยเขาไปวัดเขาวิ่งตามเข้าไปอย่างนั้นเนี่ยเขาไปเยอะดีเราเอามั่ง นั่งหลับอยู่ท้า ย, ายนี่ย น, นะถึงเวลาเขาก็ปลุกกลับกลับนะในเวลากลับล้แต่ก็ไม่รู้เขาคุยอะไรกันไม่รู้นะเว้นคุยกันเรื่อยเปื่อยไปเรื่อยแต่เราก็ไปเนี่ยนะเออทำให้ชอบเข้าวัดตั้งแเล็กๆมานะอันอุปนิสัยในส่วนนั้นก็เป็นส่วนที่ดีด้วยทําให้มีใจฝักใฝ่ อ, อันถ้ามองอะไรก็พยายามมองให้บางส่วนให้ไกลอีกนิดหนึ่งแต่ว่าคนที่มีความยึดถืออย่างเหนียวแน่นเนี่ยนะอย่างไรก็ยากที่จะเกิดการเปลี่ยนแปลง ถ้าหากว่าเขาจะเปลี่ยนได้เนี่ยนะต่อเมื่อเขาเห็นสิ่งที่เขาทําไม่เป็นสาระจริงๆเนี่ยนะยอมรับด้วยใจจริงๆจึงจะเกิดการเปลี่ยนแปลงหรือยอมรับว่ามีอย่างอื่นที่ดีกว่าอย่างนั้นเขาจึงจะเกิดการเปลี่ยนแปลงแต่ถ้าหากว่าเขาเข้าใจว่าอย่างนั้นดีที่สุดแล้วอย่างไรก็เปลี่ยนไม่ได้ก็เหมือนกับเราชอบอะไรสักอย่างหนึ่งเนี่ยนะให้เราเปลี่ยนนี่ไม่ใช่ว่าใครจะมาเปลี่ยนเราง่ายๆนะต่อเมื่อเราเห็นอย่างอื่นที่ดีกว่านั่นแหละเราจึงจะเปลี่ยนจาก อีกเรื่องหนึ่งไปสู่อีกเรื่องหนึ่งเนี่ยนะกล่าวว่าการเจริญพุทธคุณพระธรรมคุณจะสจะง่ายกว่าพระสังฆคุณนะครับสำหรับพวกผมนี้มีวิธีที่จะให้พิจารณา พระสังฆ ค, คุณได้ง่ายขึ้นอย่างไรครับการพิจารณาพระสังฆ ค, คุณเนี่ยนะถ้าเราเข้าใจคําสอนอ่อนเราจะเจริญสังฆ ค, คุณค่อนข้างยากถามว่าทําไมจึงกล่าวเช่นนั้นเนี่ยนะคือเห็นเขาทําตัวอย่างนั้นถามว่าสมมุตินะถ้าขอมาลุกเดินเฉยเฉยเนี่ยถามว่าทําดีหรือยังเชื่อว่าปฏิบัติ ด, ดีหรือยังเชื่อว่าปฏิบัติตรงหรือยังเชื่อว่าปฏิบัติทำเพื่อรู้ทําเป็นเครื่องออกจากทุกข์หรือยัง เชื่อว่าปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรมหรือยังนะนะเพราะว่าเวลาเราจะเจริญสังฆคุณเนี่ยนะต้องปารบไปที่ความปฏิบัตินะสุปฏิปันโนอุชูปฏิปันโนยายะปฏิปันโนสามีจิตปฏิปันโนมองไปที่ข้อปฏิบัติเหล่านั้นข้อปฏิบัติเหล่านั้นก็คือพระธรรมนั่นเองผู้ที่ปฏิบัติตามพระธรรมนั่นแหละเรียกว่าพระพระสงฆ์แต่ว่าเป็นผู้ที่ปฏิบัติธรรมที่เข้าถึงโลกุตระธรรมแล้ว อันถ้าเราเข้าใจในคำสอนอ่อนเท่าไรเราจะเจริญไม่ถูกว่าใครปฏิบัติดีหรือไม่ดีเนี่ยนะเราจะแยกไม่ออกเลยนะเพราะว่าบางคนเนี่ยนะพูดเหมือนดี <c oughs> คือเขาสามารถวางตัวได้เหมือนดีจริงๆแต่ข้างในอะ่ะไม่ใช่สุปฏิปันโนเพราะว่าผู้ที่ปฏิบัติสุปฏิปันโนก็คือปฏิบัติตามอริยมรรคอันประกอบไปด้วยองค์แปเนี่ยนะอัน องค์มรรคข้อที่หนึ่งเราจะต้องรู้อยู่แล้วเนี่ยนะองค์มรรคข้อที่สองข้อที่สามข้อที่สี่ข้อที่ห้าที่หกที่เจ็ดที่แปดเนี่ยก็ต้องพอรู้อยู่แล้วเราจึงจะบอกเออครูที่ปฏิบัติตามอริยมรรคเหล่านี้เรียกว่าพระพระสงฆ์เนี่ยนะถ้าหากว่าเราไม่เข้าใจในส่วนนั้นเนี่ยนะเราก็เห็นพระอริยะเฉยๆแต่เห็นทางตาเนื้อถ้าเห็นทางตาเนื้อก็ไม่ใช่ว่าเห็นพระอริยะซึ่ง ในคำพีบางแห่งเนี่ยท่านพูดไว้ซะเราเนี่ยฟังแล้วสะดุ้งเหมือนกันก็คือให้บอกว่าสุนัขบ้านสุนักยิ่งจอะกอมองเห็นนะถ้าเห็นแบบนั้นถ้าพอเห็นแบบนั้นไม่ได้เห็นคุณของท่านเลยไม่ได้เห็นอริยะคุณหรือไม่ได้เห็นธรรมะที่ทําให้เข้าถึงความเป็นสงบอกงั้นเพราะความเป็นพระสงฆ์จริงๆก็อยู่ที่ความปฏิบัติเป็นต้นและพระองค์ตรัสบางแห่งบอกว่าศีลเนี่ยจะพึงรู้ได้ด้วยการอยู่ร่วมกันนานๆ สำหรับคนมีปัญญาจึงจะรู้ได้คนไม่มีปัญญารู้ไม่ได้ฉั้นความปฏิบัติดีเบื้องต้นก็คือกุศลศีลนั่นเองนะผู้ที่ปฏิบัติตามกุศลศีลเป็นต้นก็คือผู้ที่สามารถสำรวมกายวาจาและอาชีพที่เป็นไปทางกุศลอย่างเดียวและมีสัมมาทิฏฐิอ่อนที่สุดก็คือกรรมสกตาสัมมาทิฏฐิวิปัสนาสัมมาทิฏฐิหรือฌานสัมมาทิฏฐิมรรสสัมมาทิฏฐิผลสัมมาทิฏฐิได้ ผู้ที่มีคุณธรรมตามนั้นแหละเรียกว่าเป็นพระอริยสงฆ์ที่เป็นสาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าเนี่ยนะแต่ถ้าเบื้องต้นธรรมดานี่ยังกล่าวว่าเป็นสาวกของพระองค์ไม่ได้เห็นนะเพราะยังไม่ได้เข้าถึงอริยคุณของพระองค์เลยเห็นนะเพรา ะ, ะนั้นก็เรียกว่าเป็นผู้ที่มีโอกาสนับถือพระองค์ก่อนนะพระองค์ยังไม่ได้รับเป็นสาว ก, กอะไรเลยนีย่ยังไม่ได้เป็นพระโสดาบันอะไรเลยใช่ไหม ถ้ายังเป็นพระโสดาบาันจะกล่าวว่าเป็นสาวกของพระองค์ยังไม่ได้นี่นนะโดยโดยโดยสุปฏิปันโนนะแต่ถ้าโดยอนุมานตามเรียกว่าพุทธมามกะได้เรียกว่าคนนับถือพระพุทธเจ้าเขาเรียกว่าพุทธา ม, ทา ม, ามามกะธรรมมามกะสังมามกะนี่นะถ้าถ้าผู้ที่ยังไม่ได้บรรลุนะเรียกว่าพุทธมามกะคือคนที่นับถือพระพุทธเจ้าแต่ถ้าบรรลุเป็นพระโสดาบันเป็นต้นไปแล้วเรียกว่า สาวกของพระพุทธเจ้าเนี่ยนะังนั้นถ้าเราไม่ได้เป็นหรือไม่ได้เข้าใจเรื่องกุศลศีลเป็นต้นนะเข้าใจเรื่องฌานาจิตเป็นอย่างดีเป็นต้นเนี่ยนะเราก็เจริญสังฆคุณค่อนข้างยากเห็นว่ายากนะครับแต่ที่ฟังบรรยายมานะครับว่ า, าพระพุทธเจ้าเสด็จดับคันปณิธานไปแล้ว พระธรรมของพระพุทธองค์ก็ยังอยู่เราสามารถที่จะเจริญพระพุทธคุณพระธรรมคุณได้อั น, นิสงูงถ้าเท่า ก, กันกับสมัยเมื่อพระองค์ยังชนพระชนอยู่นะครับทีน่นี้ในทนวนแเดียวกันนะถ้าเราจะเจริญพระสังฆ ค, คุณในแนวเดียวกันนะจะได้ดรหรือเปล่าครับผมก็คือถ้าเราจะเจริญสังฆ ค, คุณนี่นะเราต้องเข้าใจธรรมะหมวดใดหมวดหนึ่งก่อนนีนะ แล้วว่าผู้ที่ปฏิบัติตามคําสอนหมวดนั้นๆเรียกว่าเป็นพระพระสงฆ์คือถ้าเป็นสมัยก่อนเนี่ยนะเราเห็นพระอริยาบุคคลเลยเนี่ยนะท่านปฏิบัติสมมุตินะเห็นพระราหุลเลยหรือเห็นพระอนุนก็ได้เจริญเจริญสังฆคุณนึกถึงพระอนุนนนะจะเห็นพระอนุนเนี่ยโหมีศรัทธารับฟังแล้วท่านเป็นพระโสดาบันปฏิบัติหาข้อตําหนิไม่ได้ท่านเป็นสุปฏิปันโนอุโชปฏิปันโนเรานึกเจริญง่ายนะแต่ถ้าสมัยนี้เรามานึกหาตัวอย่างเนี่ค่อนข้าง ค่อนข้างยากใช่ไหมเคยบางคนก็จะดีอีกเรื่องหนึ่งแต่ไม่ดีอีกเรื่องหนึ่งเพราะว่าเวลาเราเจริญเราก็ต้องเอากุศลศีลเป็นต้นมาจาับเนี่ยนะว่าถ้าสาวกของพระพุทธเจ้าบางสูตรกล่าวไว้เลยว่าถ้าเป็นพระภิกษุเนี่ยนะถ้าเป็นสาวกของพระองค์เนี่ยจะไม่ล่วงวินัยแม้เพราะเหตุแห่งชีวิตแต่ถ้าโดยเหตุผลเพราะไม่รู้แล้วล่วงไปจะรีบทําคืนเหมือนกับเด็กที่เหยียดมือไปถูกไฟ เนี่ยนะเพราะฉะนั้นะแต่ว่าถ้าเอาตามพระวินัยปิฎกมาจับก็ค่อนข้างหายากพอสมควรเนี่ยนะแต่แล้วแต่ว่าเราเอาอะไราเป็นเครื่องวัดแล้วก็ยอมรับว่าท่านเหล่านั้นเป็นสุปฏิปันโนเพราะในทักษินาวิพังกสูตรเนี่ยนะหรือในหลายแห่งแนะนำให้ถวายสังฆทานคือให้ปรารภอริยสงไปเลยโดยที่ไม่ไม่ไม่มองไปที่พิกูุรูปใดรูปหนึ่งไม่เจาะจงไปที่พิกษรรูปใดรูปหนึ่ง ให้มองไปที่มูชนที่ปฏิบัติตามคำสอนอย่างจริงๆแต่ว่าผู้ที่จะเจริญได้คำสอนนั้นชัดเจนค่อนข้างมากเจริญพุทธเนี่ยเป็นพุทธพจน์นะคือที่ที่กล่าวว่าเป็นพุทธพจน์เพราะว่าคำสอนทุกคำทั้งหมดคือคำสอนของพระพุทธเจ้าถ้าถูกน ะ, ะบางแห่งเนี่ย ม, มีมีพระพิสุรูปหนึ่งเนี่ยท่านกล่าวมีท้าวสากะเนี่ยไปถามเออที่ท่านกล่าวเนี่ยเป็นของใคร บอกว่าเป็นของพระผู้มีพระภาคถึงใครจะเอามากล่าวถ้าถูกนะก็เป็นของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยนะเพราะว่าจะไม่มีใครที่สามารถรู้คําสอนอันภาษาริบุตรเหมือนกับโอรสคงโตนะในอริยธรรท่านอธิบายเลยว่ า, าพระพุทธเจ้าเนี่ยมอบเนี่ยนะอริยสัจเป็นต้นเนี่ให้ภาษาริบุตรก็เหมือนกับมอบผีพระตนะแล้วก็มาแบ่งน้องๆไปต่อไปอะไรไปแต่ทรัพย์อันนั้นก็คือของ เพราะฉะัออ้นเวลาพระสารีบุตรจำเนกธรรมก็เหมือนกับแจกรัตนะซึ่งเป็นของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยนะเั้นธรรมะเหล่านั้นก็จึงไม่ใช่ของพระสารีบุตรแต่เป็นของพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยนะแต่ความที่พระสารีบุตรท่านปฏิบัติ ด, ดีท่านกล่าวตามเนี่ยนะท่านแสดงตามเพราะว่าพระสารีบุตรเนี่ยจะต้องแสดงธรรมอนุวัตตามพระสัมมาสัมพุทธเจ้า